ถามอะไรนะโยมใช่อยากเป็นเยี่ยมนะอยากเร็เียมถามว่าเเยี่ยมพี่ใสครับเป็นีเยี่ยมเบลเยี่ยมเปเยี่ยมเบลเยี่ยมอ๋อแมงปออยู่เป็นเยี่ยมถามครับถามเข้ามาว่าอย่างไงนะเกี่ยวกับพี่ใสครับเป็นยังไงพี่ใสจะรู้สึกว่าจะแก้มยังไงหรือจะพัฒนายังไงหรือจะปรับยังไง ความใจร้อนอะไรเงี้ยหลายอย่างครับอยูนในิสัยครับเพราะว่าใจร้อนก็ต้องปรับแก้เป็นใจเย็นดิ <c oughs> คนในิสัยใจร้อน <c oughs> ก็ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาหยุดไข่ควรอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจหรื อ, อยังไงความเป็นนิสัยใจร้อนนี่ขาดการระมัดระวัง รู้ตัวอยู่ใช่ไหม ร, รู้ตัวเองอยู่ว่าเป็นคนมีนิสัยเจริญปกตินิสัยนี้ถ้าจะพูดนิสัยโดยขันท่าสันดานจริงจริงอ่ะมันแก้ไม่ได้คือสิ่งที่ติดตัวมาพร้อมกับขันมันแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่แทรกขึ้นมากับนิสัยที่ติดมากับขันท่สันดาอนอนาดาแก้ได้ สิ่งที่แทรกขึ้นมาพร้อมกับนิสัยนะโดยทั่วไปนิสัยนั้นจะเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกการกระทำคำพูดแม้กระทั่งการคิดการคิดนั้นแสดงออกภายนอกไปได้แสดงออกเฉพาะภายใน ส่วนการการทำคำพูดแสดงออกได้คนมีนิสัยที่ติดในการพูดพูดอะไรคือเป็นคนชอบพูดก็จะชอบพูดติดในการพูดชอบพูดพูดไม่ค่อยอยากจะหยุดพูดเขาล้วพูดจนลิงหลับก็มี อาตมานี้ไม่ได้ติดนิสัยของการพูดเป็นคนมีนิสัยที่ไม่ชอบพูดมาแต่ไหนแต่ไรนั่นคือนิสัยที่เป็นภายในตัวเองแต่เมื่อได้มีการพูดเป็นการสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาตอนแรกก็ไม่ได้พูดอะไรให้มันเป็นประโยคน์หรือ่เป็นคำมากมายพูดแค่ไม่กี่คำพูดคำที่เป็นสาระคำที่เป็นสัจจ์คาจริง รแล้วแล้วก็แล้ ว, ล ว, ลวจะพูดให้เป็นเนื้อเป็นความเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยพูดได้ไม่มาแกแหลกๆแต่พอมาเปลี่ยนตัวเองว่าการพูดเราจะต้องพูดอธิบายให้คนเข้าใจจะมาพูดธรรมะสั้นๆธรรมราธรรมราให้คนฟังแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาจะจับความเป็นประเด็นในทางด้านความผิดพลาดโดยเฉพาะจะทำให้คําสอนถูกเข้าใจผิดเราจะต้องทำการอธิบายก็ต้องถามว่า ถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรมาอธิบายก็เราไม่รู้จะมีไม่ีคำอที่ไหนมาอธิบายได้ก็ได้ตอบตัวเองขึ้นมาว่าก็คําสอนของพุทธเจ้าท่านอธิบายไปแล้วเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาอธิบายคือเอาสิ่งที่เป็นหลักคําสอนที่พวงทรงอธิบายไว้แต่คําพุทธการนั้นมาอธิบายก็เริ่มต้นโดยการยกพุทธพจน์ยกชาดกบ้างยกเรื่องราวตามท้องเรื่องบ้างเอามาอธิบายให้คนได้สร้าง จากนั้นก็คนก็จะฟังเป็นในเชิงลักษณะนิทานหรือเรื่องเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอยู่ในตำรับตำราไม่ได้ฟังเอาเนื้อธรรมก็พลิกใหม่อีกทีนี่ว่าเราจะพูดและอธิบายธรรมะยังไงนี่คนได้รู้และเข้าใจได้มากขึ้นก็เลยจะต้องหาคำพูดเป็นสภาพเรียกว่าสภาพสภาวาแวดล้อ ก็เลยผนวกทั้งหลักคําสอนผนวกทั้งสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและผนวกทั้งการคบคิดในหลักคําสอนจากความรู้ของตนเข้าด้วยกัน ท, ทั้งหมดเลยผนวกเข้าด้วยกันจึงกลายมาเป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายธรรมะในความเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่อธิบายนี้บางทีก็จะจับความได้ว่าอันนี้มาจากพุทธพจน์อันนี้มาจากหลักคําสอนที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนมาอันนี้มาจาก การปฏิบัติของเราเองอันนี้มาจากการคิดอันนี้มาจากหลักฐานพร้องภาษาซึ่งเป็นแบบของปริยัติธรรมอันนี้ก็จะทราบได้และเข้าใจได้คือมีความหลากหลายอยู่ในการการพูดการเล่าแต่ไม่ได้มีมีนิสัยชอบพูดชอบเล่าไม่มีไม่ชอบแต่เมื่อได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้เริ่มที่จะพูดและการอธิบายธรรมให้คนได้ฟังนิสัยนี้เลยเกิดขึ้นนีนิสัยการ พูดเนี่ยแต่ไม่ได้ชอบนะเข้าใจไหมแต่มันเป็นนิสัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราที่เราสามารถพูดหรืออธิบายทำมาในชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดในเชิงไหนก็ตามให้คนได้ฟังได้แต่ในความหมายคำพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นจะถูกไปเสียทั้งหมดไม่ได้บอกว่าถูกแต่พูดให้ขบคิดพูดให้เข้าใจพูดให้รับรู้รับทราบ แล้วพี่นะไต่ตองเทียบเทียงว่าถูกผิดเข้ากับเหตุผลเข้ากับหลักคำสอนมากแค่ไหนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเช่นพูดเรื่องศีลเมืวว่อวานเนี่ยพูดเรื่องศีลก็มีมีหลายคนเข้ามาก็ไม่ใช่คำถามอะ่ะแสดงแสดงข้อคิดเห็นในหลายอย่างนายกพสูตรยกอะไรมาผู้ที่ยกพสูนมานั้นะ่ะ ก็ถือว่าเป็นการยกคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ะที่ถูกแปลแล้วมาเป็นฐานรองรับและผู้ที่ยกมาก็ไม่ได้แสดงความผิดของตนเองขึ้นมาคือยกยกย ก, ย ก, ยกสิ่งที่เป็นพระสูตรขึ้นมาก็ถือว่าถูกต้องหาความคัดค้านอะไรไม่ได้เรพราะว่าพระสูตรเ ป, เป็นเราก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคือสิ่งที่เป็นหลักคํำสอนของพระสมมะพระพุทธเจ้า บางคนก็แสดงความคิดเห็นของตนเองขึ้นมาการแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องเข้าใจว่ามีทั้งส่วนถูกส่วนผิดะเป็นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเดยอย่าชี้ขาดว่าถูกเสมอไปหรือผิดเสมอไปแต่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่ามาจากวิทวัสสวัสดิ์รักษาพระพุทธองค์ท่านชี้ขาดว่าศีลไม่ดีอย่าหวังคุณธรรมชั้นสูงตรงนี้นี่ หมายถึงคุณธรรมชั้นสูงแล้วต้องแยกให้ออกแต่สิ่งที่ยกเป็นประเด็นขึ้นมาว่าศีลไม่ดีทำการภาวานาได้ไหมคนละอย่างแยกให้ออกว่ากับคุณธรรมชั้นสูงเ <Yeah. S 1> 네น <ouch. S 1> ื่องจากว่าสีขาวบทที่มันทุลพลอยู่เพราะสติของบุคคลไม่บริบูรณ์คือสติไม่ไม่สามารถกั้น กเราเรียกว่าไม่สามารถกัน้นการละเมิดโทษที่ร่วมอกุศลได้ในบางอย่างอาจจะมีการเผยสติแลาธรรมลงออไปพอมีการเผอสติท่าธรรมลงไปก็ประกอบพร้อมไปด้วยเจตนาเลยในเวลานะั้นถ้าทาให้ขาดสีขาดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกสีขาบทุลผลทุลผลคือถ้าเป็นคนก็พิกลพิการอะไรอย่างเงี้ยอ่อนแรงทุลผลนะพลคือพละเรียกว่ากําลังทุละคือมัน มันไม่ดีทุกแต่ว่าชั่วยากหรือไม่ดีทุระทุละกันดารเราจะรู้จักนะทุระกันดารเ น, นี่คือที่มันโอที่มันยากลําบากมากที่มันทุละกันดารไม่เจริญทุลพนคือกําลังมันน้อยคือว่าสี่ขาบทมันไม่เต็มบริบูรณ์มันอ่อนแรงมันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความเข้มแข็งคือความเข้มข้นการรักษาจิตนาภายในจิตท้องตัวเองนั้นรักษาได้ไม่เต็มนิดเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเต็มหน่วย เพราะอะไรเพราะสติมันไม่พอดีพระเจ้าจึงแนะนําให้เจริญสติในแบบภาวนานั่นเองทาการภาวนาคือเจริญสติขึ้นมาเพื่อให้สิขาบทที่ทุรคนที่มันขาดมันดังมันพร้อยมันไม่บริสุทธิ์น่ะให้เต็มบริบูรณ์ได้ด้วยการเจริญสติภาวนาในกายกายคัจจานี่ไม่ใช่สติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสี่เนี้ยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่ง ทีนี้หากเจริญสติ จ, จ, น, จนเกิดจิตเข้าสู่อริยมรรคเบื้องต้นความเป็นพระโสดาบันศีลก็จะบริสุทธิ์เองอัตโนมัติและตอนนั้นพระอริยเจ้าพระโสดาบันท่านจะฉลาดในการรักษาศีล <c oughs> ท่านจะมีสติในการรักษาศีลไม่ต้องห่วงหรอกว่าท่านจะทําให้ศีลทุรพลไม่มีทางนะพระอริยเจ้าท่านฉลาดอยู่แล้วมันเป็นศีลอัตโนมัติเป็นการกเรียกว่าศีลรักษาตัวท่านเอง ศีลคุ้มครองท่านเองท่านจะรู้สึกว่าอํานาจแห่งขศีลเนี่ยจะคอยกํากับจิตอยู่เสมอว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรประพฤตอะไรไม่ควรประพืชอะไรมันใกล้ต่อการทําให้ศีลด่างพร้อยอะไรมันใกล้ต่อการทําให้ศีลทุรพลเราจะรู้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยว่าพระอริยเจ้าท่านจะไม่พึงพอใจในศีลท่านยิ่งพึงพอใจท่านยิ่งแสวงหาท่านยิ่งพยายามต้องการที่จะรู้ว่า ทำอย่างไรศีลที่มีอยู่แน่ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยจะบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปอันนั้นเป็นความตั้งใจของภริยาเจ้าอยู่แล้วในในกิจของพระริยาทุกองทำยังไงถึงจะยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกหมายถึงว่าจะต้องทําศีลธรรมดาที่เป็นศีลเป็นศีลธรรมดาปกติศีลเป็นบัชีบัชศีลแล้วก็เป็นอธิศีลศีลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกศีลระดับการศีลระดับสูงเพื่ออะไรเพื่อรองรับมรรคผลชั้นสูงนั่นเอง เพราะนั้นการแสแดงความเห็นคือบอกว่าชี้ขาดวาศีนไม่ดีอย่าหวังคุณธรรมชั้นสูงแน่นอนอ่ะพระเนียเจ้าท่า น, ท, านที่ปฎถนารศีลชั้นสูงเนี่ยปฎถนาคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยท่านจะระแวดระวังแล้วก็ละเอียดมากในการรักษาศีนละเอียดกิบทุกขณะท่านจะวิเคราะห์ไดใ้ในสิ่งที่ท่านทําในกิริยาแห่งจิตด้วยกิริยาแห่งจิตแม้แต่ความคิดความคิดหนึ่งเป็นไปเพื่อการระเบิดไหม ในความคิดนั้นท่านจะรู้แล้วท่านจะพอใจแล้วท่านทำการรักษาท่านดีรักษาภายในจิตท่านยังไม่ต้องพูดถึงการพูดหรือการการะทำเรียกว่าเป็นอธิสีสีที่ยิ่งในจิตตรงนี้นี่คือความสาคัญการสแสดงความเห็นออกมาอย่างนี้ก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมานั้นก็เพื่อให้เห็นว่าคนมีความกังวลคือคนที่บุตุชนที่ยังไม่กล้าเข้าสู่อริยะบุตุช น, นกังวลว่าเอ๊ศีลไม่ดีจะภาวนาได้หรือไม่ได้อันเนี้ยความลังเลยสงสัยตัวเนี้ยมันจะทำให้จิตของคนของผู้ปฏิบัติในกิจทางศาสนาเนี่ยมันจะไม่พัฒนามันจะไม่ก้าวหน้ากินเหล้าอยู่ก็ภาวนาได้ ฆ่าสัตว์อยู่ก็ภาวนาได้หากรู้จักการงดเว้นในการบางเทา้าแปดข่ําหรือสิบห้าข่่มอย่างเงี้ยก็ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าภาวนาไม่ได้ภาวนาไปทั้งทั้นที่ศีลขาดแล้วแหละภาวนาไปพอถึงวาระหนึ่งวาระหนึ่งเนี่ยอาตมาเชื่อว่าคนเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไปตลอดจนถึงมันตายหรอกมันต้องมีเวลาที่มันไม่ฆ่า บ, บ้างอะ่ะใช่ไหมหละ่ะพอคําว่าศีลเขารักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลรักษ์ รักษาไม่ได้ก็ต era era game, game, ้องรักษาศีลในข้อปก็คือผิดในกายรักษาศีลข้อปก็คือผิดในกายไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลข้อโกหกรักษาศีลข้อโกหกไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลข้อสุลาคือแต่ละคนก็ต้องต้องมีศีลเป็นที่ยึดที่ตั้งในการรักษาการรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วปฏิบัติไปได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาหข้อให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยแต่ใครแต่ใครรักษาหข้อบริสุทธิ์ได้มันคือควรทําอย่างยิ่ง ที่พูดถึงไม่ใช่ว่าศีลไม่จําเป็นศีลจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพื่อหวังคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งทีนี้การการที่ศีลมีความจําเป็นแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้จําเป็นในเวลานั้นเพราะบางคนอยู่ในวิถีของกนารเลี้ยงชีพโดยการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วเขาเขาอยู่กับการฆ่าสัตว์อยู่มันก็ต้องเป็น มันก็จะขัดแย้งกับวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่เมื่อขัดแย้งแล้วเหมือนกับว่าหลักธรรมศาสนานี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ใช้กับชีวิตจริงของมนุษย์ได้เพราก็ต้องเขาก็ต้องฆ่าแล้วเ ข, า, ข, า, ขาจะไม่ชอบใจในศีลแต่ถ้าหากว่าฆ่าสัตว์ไปเถอะแต่ให้รู้จากงดเว้น8ข้ามับง15ข้ามงดใช่ไหมละ่ะเขาก็มีประกาศงดอยู่นี่ไหมละ่ะวันพระห้ามฆ่าอยู่อยู่ในทางทางโลกเนี่ยเขาก็ประกาศอยู่ก็ก็งดไปสิใช่ไหมหล่ะอาการที่งดได้น่ะเป็นศีลเขจะยัง สีนจะรักษาสีนหนึ่งข้อสองข้อหรือสามข้อสีข้อห้าข้อผเจ้าบอกว่านั่นคือสีเท่ากันหมดถูกต้องไหมสีนเสมอกันหมดจะสีกี่ข้อก็ตามขอให้รักษาแม้ข้อเดียวก็มีสีเสมอกันกับบุคคลผู้รักษาสีส27ร้อ่สิข้อแต่สิขาบทต่างกันอนิสงส์ที่ได้รับต่างกันรักษามากได้ผลมากรักษาได้หลายข้อได้อนิสงส์หลายข้อเข้าใจไหม แต่ศีลตัวเดียวกันคือการงดเว้นตรงนี้แต่พระเจ้าก็บอกว่าเราไม่เก่าถึงการรักษาศีลว่ามากหรือน้อยเพียงเท่าไหร่ว่าไม่นํามาซึ่งประโยชน์คือคือการรักษานั้นเป็นหมันอย่างเงี้ยพองค์มไม่เราก่าพองค์แบบแค่ข้อเดียวก็นํามาซึ่งผลประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้นอย่างเงี้ยในความหมายของพระเจ้าพองค์ฉลาดฉลาดฉลาดมากมากเลย ที่ทําให้ศีลอยู่ในวิถีชีวิตของคนปกติได้ทั้งที่เขาอยู่กับการฆ่าสัตว์รักทรัรออพย์ประพฤผิดในกาโรโภหกเรื่อดื่มสุราอะไรพวกนี้ยคนดื่มสุราถึงเวลางดเบ้นก็งดเบ้นอะไรงดเล่าเข้าพรรษาก็มีเทศกาลอย่างเงี้ยมันเขาก็บดเบ้นได้ก็เป็นศีลเจตนาที่งดเบนตั้งใจที่จะไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าหากตั้งใจที่จะไม่ดื่มเหล้าแล้วดันไปดื่ม ทำลายความตั้งใจทำลายเจตนาของตนเองคือศีลขาดคำว่าศีลขาดคือเจตนาตัวเองนี่ขาดไม่ใช่ว่าเพราะไปดื่มเหล้าศีลจึงขาดไม่ใช่นะเจตนาที่จะกินอ่ะเข้าใจไหมเจตนาที่จะกินทำลายเจตนาของตัวเองแล้วศีลมันขาดแล้วแต่จะขาดถึงที่สุดก็ต่อเมื่อได้กินลงไปคือร่วงลำคอเข้าไปในระหว่างที่กําลังจะกินเนี่ยมันยังแก้ได้อยู่ เพราะยังไม่ร่วงลำคอเข้าไปในปากมีสติระลึกได้ว่าไม่ควรกินกับคลายทิ้งคลายทิ้งตรงนั้นเจตนาตั้งใหม่ก็เป็นอรักษาใหม่ไงตั้งใจคืองดเว้นขึ้นมาได้สติระลึกดูทันขนาดนั้นคลายทิ้งก็เป็นศีลขึ้นมาใหม่แต่ศีลในระดับของเจตนาที่ทําลายตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ตั้งใจเจตนาที่จะกินกินซูกินซูลากินเหล้าพระย่ออบอกว่าแนะ เอาน้ำธารรมดามาไว้ในแกน้วนี้โดยมีความเจตนาตั้งใจว่าเราจะดื่มเหล้าทั้งๆั้งนี้ในเนี้เป็นน้ำน้ำเป่าน้ำธารรมดาแล้วดึงเข้าไปสิีขาดไหมฮะขาดทั้งทั้งที่น้ำในแก้วเป็นน้ำธารรมดาแต่ตั้งใจว่ากินแทนเหล้าเ <c oughs> ข้าใจไหมเลือกินให้เหมือนกับว่าเป็นเหล้ากินน้ำเป่านั่นแหละ แต่ให้ทําความเข้าใจในความรู้สึกตัวเองว่ากินแทนเหล้าหรือกินกินเหมือนเป็นเหล้าอะไรเนี้ยขาดขาดในข้อสุรามันคืออะไรนั่นคือทําลายเจตนาของตัวเองไงเจตนาจะไม่กินแต่ไปตั้งค่าของความเป็นเหล้าไว้ในแก้วใ น, ในน้ําอ้ำม่นเป็นเหล้า่าเงี้ยก็ขาดเห็นไห้หล่ะเพราะสินขาดนขาดอยู่ที่เจตนาไม่ได้ขาดอยู่ที่กินกินเหล้าบางคนไม่มีเจตนาจะกินนไม่อยากจะกิน แต่กินเหล้าด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไปกินสีขาดไหมไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาหรือมองว่ามันเป็นแค่น้ํา <c oughs> <c oughs> มองคือมองจริงๆน้ะไม่ได้คือมองว่าเป็นน้ํานะขาดไหมอันนี้ไม่ขาดนะแต่การที่มองว่าเป็นน้ําธรรมดามันมันมองไม่ได้โดยทั่วไปนะในวิสัยของบุรุษชนคนทั่วไปมันต้องไม่จิตที่ละเอียดจิตที่ จิตที่มีขั้นที่ปั ส, สนาแยกยลแล้วที่จะสามารถแยกได้ระหว่างความเป็นเหล้ากับน้ำเพราะนั้นอันนี้พูดถึงในลำดับของบูรุษชนที่จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์จะภาวนาไม่ได้ผู้ได้เจ้าไม่เคยได้บอกอย่างนั้นแต่ลำดับของการปฏิบัติต้องไปหลักของตามศีลสมาธิปัญญาแ น, น่นอนแต่การภาวนาสามารถทาได้เลยไม่จาเป็นจะต้องศีลรอให้ศีลบริสุทธิ์ มันบริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนเจตนานั่นแหะพอบริสุทธิ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเนี่บริสุทธิ์คือเจตนาที่จะหมดเป็นนะส่วนการรักษาได้เท่าไหร่ก็ได้อดีสมตามเท่าที่รักษาได้ในแต่ละข้อในสี่ข้อบทในแต่ละอันรักษามากก็ได้อดีสมมากรักษาน้อยก็ได้อดีสมน้อยแค่นั้นเองไม่ไดเป็นปัญหาอะไรเมื่อเข้าถึงพระ อ, อริยเจ้าคือความเป็นโสุดาบัณแล้ว มันจะรู้จักการรักษาเองมันจะทิ้งเองข้าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามโกหกดื่สุรามันจะมันจะละออกเองอัตโนมัติหมายถึงว่ามันจะไม่เอาหรืไม่ใช่สาระนี่ตายก็ยอมตายแต่บุรชนไม่ไม่กล้ายอมตายใช่ไหมแต่พระยาเจ้ายอมตายเนี่ไม่ฆ่าสัตว์จะตายก็ยอมตายไม่ได้ฆ่าไม่มีอาหารเลี้ยงขีพกินอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้ไม่มีสัตว์เลี้ยงขี้ตัวเองก็กินอย่างอื่นได้อย่างเงี้ยในความหมาย ถ้าเ ย, ยเ้าท่านฉลาดแล้วถ้ารู้อะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระแล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็โสดามันนี้จะลาสิขาครับถือว่าพิสูจน์แล้วใหม่ไม่มีสิทธิ์เไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ลาสิขาไม่มีเหตุปัใจจัยใดๆที่จะลาสิขาเป็นข้อกําหนดตายตัวเลยเลยว่าพระุทธเจ้าบอกว่าบุบคคลผู้เห็นอริยสัจแล้วไม่มีการหมุนไปสู่ความเป็นคนเลวเด็ดขา แต่ไม่ได้บอกว่าอาตมาไม่ได้บอกว่าลาศิขาไม่ได้ไม่ได้บอกนะผู้นิจเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าลาศิขาไม่ได้แต่มันมีหลักอันหนึ่งในจําหานามาในหัวอยู่นะอ่านอ่านเจอนะว่าบุคคลผู้เห็นอริยสัจสีรู้แจ้งในอริยสัจสีแล้วย่อมไม่หมุนไปสู่ความเป็นคนเร็วก็คือลาศิขานั่นเองเขาว่าหมุนไปสู่ความเป็นคนเร็วนะไม่มีเหตุปัจจัยที่ออกใช่หนึ่งเห็นอริยสัจแล้วจะไม่ไม่วิ่งหาครูบาอาจารย์ไม่บุคคลผู้บวชแล้วจะไม่ลาศิขา ไปมั้ยไหมแต่พระโสดาันที่เป็นโยมก็เยอะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าลาสิกขาได้หรือไม่ได้แต่ที่พูดนี่หมายถึงว่า ม, มีมีคำของพุทธเจ้าอยู่หากอยู่ในเพศของบรรพชิตจะไม่ลาสิกขาเด็คขาแม้อยู่ในเพศของสามเณรก็จะไม่ลาสิกขาเด็ดขาดพระโสดาบันเราใช้จามีคนมาจับถอดเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งภรรยา แต่าจะราิาีขาลีเจตน า, าของตัวเองจะไม่จะไม่มีจะไม่เกิดหรือแม้จะมีการเจ็บป่วยก็ตามเจ็บป่วยก็ตามตายพร้อมกับความเจ็บป่วยยอมตายไหมบอกตายมันไม่ใช่ว่ายอมมันรู้ความเป็นจริงอยู่แล้วว่ามันทุกคนต้องตายจะ ต, ตายในเพศไหนก็คือตายนี่คือการอธิบายให้ฟัง การอธิบายอย่างนี้นี่ในหลายในเรื่องของศีลเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้และเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาตมาสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมา น, นั่นเองแต่สามคําว่าชอบนิสัยนี้ไหมก็มไม่ได้ชอบแล้วนิสัยอย่างไงที่ติดตัวเองมาที่ที่เป็นความชอบนิสัยคือไม่ต้องพูดอะไรกับใครมากพูดแค่สอนสําคัญรู้เรื่องอันนี้ชอบมากแต่อันนี้พูดสอนคำคำมันไม่รู้เรื่องมาเลยทงที่พูดมากอยู่ทุทกวันเนี่ยมันเลยกลายเป็นนิสัยที่ต้องคนเป็นคนพูดมากในที่นี้ ของคนก็บอกพูดไปเยอะก็ฟังพูดมาดีก็ไลท์ไลายไลท์แล้วเนะ like นี่ยไลท์สดครบปีก็คิดว่าจะหยุดนี้ากพูดเยอะแล้วก่อนหน้านี้ก็เทศมาเยอะแล้วจากนั้นก็ทีนี้เราก็มารู้ว่านิสัยของเราเป็นอย่างไรเมื่อนิสัยของเราเป็นอย่างไรเราก็ให้ยอมรับนิสัยตามที่มันเป็น เมื่อยอมรับนิสัยตามที่มันเป็นสิ่งที่มันแทรกขึ้นมาพร้อมกับนิสัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกอารมณ์สิ่งปรุงแตง่งความอยากความต้องการหรือความปัจจัยใดๆก็ตามที่แทรกมาพร้อมกับนิสัยนั้นเราต้องแยกให้ออกว่านิสัยส่วนหนึ่งอาลมที่เกิดมาพร้อมกับนิสัยนั้นส่วนหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักแยกเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองหรือ ควบคุมนิสัยตัวเองไม่ได้อาการใจร้อนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นนิสัยแต่เมื่อปล่อยให้ตัวเองเป็นคนใจร้อนจนติดเป็นนิสัยมันก็กล า, ายเป็นนิสัยภายในนิสัยที่เป็นอยู่แต่จริงๆแล้วนิสัยมันไม่ได้ทําให้คนใจร้อนอาการใจร้อนมาจากการขาดสติกาดขาดการคายปวรขาดการพิจารณามันจะต้องแยกระหว่างความเป็นนิสัยของตัวเองกับสิ่งที่มันแทรกเข้ามา คือพวกอารมณ์พวกกิเลสพวกอาสาวะพวกตัณหาสิ่งที่มันครอบงาใจทั้งหลายทั้งปวงตัวเนี้ยแยกกันมันออกไปอยู่เบลยเยียมยังใจร้อนอยู่เหรอแมงปอหน่าเดใจเย็นๆอยู่นะมืองประเทศเขาเย็นอยู่เห็นไหมมัน ก็พิจารณาดู ว, ว่านิสัยบางอย่างเช่นมีนิสัยชอบทาบุญะคนที่มีนิสัยชอบทาบุญนิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยคนละหรือควรเจริญควเจริญขึ้ น, น, นมีนิสัยชอบทำบาปขวดละมีนิสัยชอบเล่นการพ น, นันมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากไม่ได้อยากจะช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือไปจนตัวเองเดือดร้อน <c oughs> เอาไง ค, ควรจเจริญหรือควรละเอาก็ <c oughs> เอาตอนแรกบอกควรจเจริญแล้วตอนหลังมาบอกคนละเอ๊ะม่เข้ากันเท่าไหร่ก็ชอบช่ยเหลือผู้อื่นก็ดีอยู่ไม่ใช่เหรอแล้ว <c oughs> ตอนหลังบอกเอาเท่าไหร่เดือนร้อนอนอี่บอกควรละคือมันเกินพอดีอไงใช่ไหมเกิน <c oughs> <c oughs> อะไรเกินมันก็ไม่ดีคำว่า น, นิสัยใจร้อนนี่ใจร้อนเป็นอีกเรื่องหนึ่งหนอใจร้อนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนนิสัย็น อ, อีกเรื่องห น, นึ่งนิสัยมันจ ะ, สะแสดงออกด้านดีด้านไี่ดีใช่ไหมล่ะนิสัยสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะปรับเปลี่ยนได้สร้างใหม่ได้แก้ไขได้แต่ว่าสนาที่มันติดมาพร้อมกับนิสัยเดิมๆ ม, มันเปลี่ยนไม่ได้เหมือนต่อมาแม้จะมีนิสัยสร้างนิสัยใหม่คือสามารถอธิบายธรรมะแต่ก่อนอธิบายธรรมะอย่างนี้ไม่ได้ เพราะไม่มีนิสัยชอบพูดมากเท่าไหร่ก็เลยไม่สามารถอธิบายอะไรได้มากพูดก็จะพูดตรงๆพูดจะก็จะพูดสั้นๆคําของพระพุทธเจ้าก็คําพูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักธรรมเป็นเป็นข้อธรรมไปเลยคนก็ไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่ขนาดอธิบายขนาดนี้บางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็มีนะพออธิบายเจอะมีคนมาขออธอิบอกให้ตามมาบอกว่า ถ้าอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยละเอียดมากมันก็ไม่ดีนะเหมือนกับจะอธิบายเรื่องการขับรถอย่างนี้นเนาะอ้าวก่อนจะขับรถเตรียมกุญแจรถนะเดินเข้าไปที่ประตูรถนะแล้วค่อยเปิดประตูรถพอเปิดแล้วเสียบกุญแจเข้าไปนะเข้าไปนั่งนั่งให้ดีปรับเบาะให้ดีเสียบกุญแจเข้าไปเช็คคับเช็คเบรคเช็คระบบอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ไฟเลี้ยวมีไหมไฟหน้าดีไหมที่ปัด น, น้ําฝนทํางานไหมบิดสตาร์ทพอสตาร์ทเครื่องได้แล้วเริ่มเข้าเกียร์ก่อนจะเข้าเกียร์มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังโอ้อธิบายงี้มันไม่ไหวแล้วเนาะนมันก็ว่าที่การถืป อ, อ, อประมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วรับที่จะจพูดเราทําแท้นะเดี๋ยวครับถ้าไม่ไม่เข้าใจาาก็ที่อาจารย์ก็อธิบายยิ่งขึ้นไปอะไอย่างนี้ เพราะนั้นการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะได้อธิบายให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะเข้าใจ <Okay. S 2> นิสัยเดิมมันก็จะคอยกระตุ้นขึ้นมาขี้เกียจโอ้ขี้เกียจพูดอะไรประเภทนี้ยิ่งพูดเยอะโดยความรู้สึกว่าเมื่อพูดแล้วเขาจะเข้าใจ แต่พอพูดจบเขาไม่เข้าใจมันก็กลายเป็นว่ากูไม่อยากจะพูดอีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนิสัยเดิมเป็นนิสัยเดิมขึ้นมาหรือมี ม, ม, มีมีใครมาถามค า, ม ถ, ามถามเดิมซ้ําๆซกโดยไม่ย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่ตอบก่อนก่อนหน้าเนี้ยย้อนย้อนกลับไปดูบ้างคือการการการย้อนกลับไปดูจะได้รู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในเพจเนี่ยเพจ น, นี้มีตัวตนอยู่จริงมีคนทำมีแอ็กิน ที่เขาถายออกมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในแต่ละขนาดและเทศเรื่องอะไรบ้างบางทียังไม่ได้ฟังเท็จเก่ า, กาๆมาถามเป็นคําถามเดิมๆกับเก่าๆที่ถามมาก็มาตอบอันเก่าก็ไม่ไหวเนีย่ยกดตอบรู้สึกร้างหลังมาจะไม่ค่อยได้ถามหรือเป็นเพราะว่าอธิบายธรรมะได้แจ่มแจ้งดีแล้วเขาก็ไม่ถาม ทีนี้ถามว่านิสัยใจร้อนจะแก้ไขยังไงความใจร้อนแก้ไขยังไงอาตมาก็เป็นคนใจร้อนมาก่อนทําอะไรด้วยความขาดระมัดระวังจริงๆมันไม่ใช่ความใจร้อนคือมันทําอะไรดร้วยการขาดความระมัดระวังน่ะมันเลยเหมือนเหมือนกับว่าใจร้อนแต่ความรู้สึกของเราคืออยากจะทําตรงนี้พอามทำตรงนี้มันพลาดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อันพิพาทเพื่อที่จะหาความรู้ใหม่ มาแก้ไขอันพิพาทมันจะหาความรู้ไปเรื่อยๆความรู้ไปเรื่อยๆมันเลยดูเหมือนใจรลอดหรืออาตมาถูกเคยถูกฝึกข้อวัดมาให้ทําทันทีจากครูบาอาจารย์ท่านสอนมาทําอะไรให้รีบทําทันทีอยทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่าให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยให้มันใมันอย่าไปช้าท่านบอกทําอะไรให้มันรีบทําให้มันเสร็จถูสาราก็รีบถูให้มันเสร็จมีรีบไปภาวนาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ ล้างบางโรงล้างบาทนั้นนั่นล้างนี้ทั้งแบบรีบบอกให้รีบให้ทำทำเพราะวัดอะไรให้มันว่องไวจะรีบภาวน า, าเดี๋ยวจะเสียเวลาไปภาวนาก็ฝึกมาอย่างนั้นแต่พอมาสอนคนเวลาตามาจะพาโยมทาหรือสั่งให้โยมทําอะไรก็ตามถ้าไม่ว่องไวหรือไม่รีบทําตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนกับเอช้าจังวะอะไรพื่เนี้ย อาจารย์แต่โยมก็มองหรือพระอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเอ๊ะพระอาจารย์ใจร้อนเข้าวะเฮ้เราก็เราก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะว่าท่านบอกท่านอะไรท่านสอนบอ ก, อ, บ อ, ก, อ, บ อ, ก อ, อะไรที่ดีทำํำบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพระอาจารย์ใจร้อนเราก็ไม่ได้ว่าเราใจร้อนอาการใจร้อนมันมีตอนสมัยที่ยังเป็นโยมคือมันจะมีความร้อนอยู่ภายในใจมันร้อนอย่างร้อนที่จะทําแต่มันแตกต่างจากการกว่ารีบทําทันทีเป็นคนละอย่าง มันไม่เหมือนกันแต่มีบางอย่างที่ทําลงไปแล้วเกิดความผิดพลาดมันเป็นการบางอย่างว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะทําเรียนรู้ในการที่จะศึกษาทําความเข้าใจใจร้อนทัดใจร้อนโดยมีเหตุผลด้วยใจร้อนโดยการเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นการใจร้อนที่ทํามาซึ่งประโยชน์เป็นความรู้เหมือนกันแต่ถ้าใจร้อนโดยที่เราไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึก เขาไปก็ว่าทําอะไรผิดพลาดได้เห็นเป็นโทษแล้วไม่หาวิธีแก้หรือไม่หาวิธีปรับไม่หาวิธีที่เป็นมูลเหตุที่จะกระทําในครั้งต่อไปให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์มากขึ้นให้มันผิดพลาดน้อยลงถ้าไม่แก้อย่างนี้มันก็ใจร้อนอย่างนี้มัม่มีปรนจะติดเป็นนิสัยที่ไม่ดี เขาด่ามายังไม่ทันได้รู้เลยว่าที่เขาด่ามาเขาพูดถึงเรื่องอะไรก็รีบด่าตอบอะไรเพราะอยางใจร้อนอันเนี้ยคือมันร้อนขึ้นมาในใจแล้วถูกดา่าแล้วมันร้อนขึ้นมาเลยรีบด่าตอบอะไรเลยแล้วเขาด่ามาสองสามคำแต่ด่าเขาไปเป็นชุดอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ฟังมาที่เขาด่ามาหรือเขาพูดมาเขาพูดเรื่องอะไรไม่ได้ผบคิดเราต้องฟังให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยบอกออกไปตามเหตุผลว่าเป็นยังไงบางคนเนี่ยด่ากันไปด่ากันมา คือความใจร้อนมันก็มีก็เข้าใจอันนั้นในส่วนหนึ่งเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะต้องไปแก้ไขเรื่องใจร้อนเรื่องนิสัยนี่นะตัวเองต้องรู้ตนเองภายในตนเองให้มากพิจะะนารณาให้มามกเดี๋ยวค่อยแก้นิสัยกันไปเอง นิสัยนี้เป็นทุกขสัจจ์แต่สิ่งที่แทรกเข้ามาในนิสัยเป็นสมุทัยสัจจ์ตัวนิสัยแท้ๆเน่ยเป็นทุกขสัจจ์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สิ่งที่แทรกมาพร้อมกับนิสัยคือความไม่รู้มันจะเป็นสมุทัยสัจจ์การแก้ไขสิ่งที่แทรกเข้ามาในนิสัยของเราเป็นนิโรธสัจจ์การยอมรับนิสัยที่เป็นและ แก้ไขสิ่งที่แทระมาณพร้อมกับนิสัยที่เกิดในตัวเราการแก้ไขได้ก็เป็นนิโรธอันนี้แหละเรารู้จักการปฏิบัติอย่างนี้ได้บ้ า, างมั้งเรามปฏิบัติทถึงการดับดับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวนิสัยมันแก้ไม่ได้ครับคนมีนิสัยเป็นโจรมันก็ยังจะต้องติดนิสัยเป็นโจรไปตลอด ไปตลอดเลยนะมันมันเลือกไม่ได้นิสัยมันติดมีนายโจนอยู่คนหนึ่งก็ถูกจับไปสู่ที่คุมขังในระหว่างที่เดินผ่านถนนไปผ่านปราสาทของลูกของเศรษฐีท่านเศรษฐีลูกลูกสาวเศรษฐีอยู่บนปราสาทชั้นบนมองผ่านหน้าต่างไปในวันนั้นเห็นโจนถูกคุมตัวไปสู่ที่คุมขัง ไปตัดสินคดีเหตุว่าก็เกิดความพึงพอใจเพราะอดีตประชาเคยเป็นสามีสามีภรรยากันอย่างเงี้ยมันก็เกิดความพึงพอใจจึงสั่งให้คนใช้เนี่ยไปเรียกนะพวกทหารที่คุมตัวนี้ให้หยุดไอโจนี่เป็นโจนขโมยของลักเล็กขโมยน้อยติดนิสัยมาตั้งแต่สมัยไหนนะไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติติดมาคือ ไม่ได้ไม่ได้ไปขโมยแบบของที่เรียก ว, ว่าฆ่าคนเป็นมหาโจรอะไรแ บ, บน่นี้คือติดนิสัยขโมยคือหยิบของเข้ามาติดไม้ติดมือมาก็ก็เอาไปเลยอย่างนี้นะเห็นของใครไม่ได้อยากจะเอาอย่างเงี้ยนะโทรศัพท์วางไว้ก็อยากจะหยิบเอาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นโจรคือไม่มีอาบุธเข้าไปพ้นไม่ได้ฆ่าใครแต่ติดนิสัยอย่างนั้นมาก็เลยคิดว่า ยญิงน่ะนี้โดยความที่เป็นสามีภรรยากันมาก่อนแต่ปางก่อนนี่กหะบูเบสเพศนิมิตเลยเกิดความรักก็เลยสั่งคฎให้ไปนำซั์ไปให้ทหารบอกว่าขอไถตัวผู้ชายคนนี้ทหารได้รับรัพย์ก็ปล่อยตัวมาผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าใครเป็นคนมาไถ่เราออกก็เลยว่าเจ้านายของเราเองเจ้านายเจ้ า, าเป็นใครน่นลูกของเศรษฐีบนภาษา่ เป่าวลูปพ้องเศรษฐีก็มีทรัพย์สมบัติของตัวเองที่พ่อให้มาเก็บหอมลอมริบมาใส่ผ้าโอไว้แล้วก็นุ่งชุดของคนใช้ลงจากปราสาทไปหาผู้ชายที่เป็นโจรเนะี่ยแล้วไปอยู่ด้วยกันแต่นิสัยความเป็นโจรมันยังมีอ่ะขโมยขโมยทรัพย์ที่ภรรยาเก็บไวนะ้อ่ะเครื่องประดับบ้างเงินบ้างทองบ้างนะขโมยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย ขโมยไปจนหมดก็ไปขโมยทำไมเนาะมันติดนิสัยเข้าใจไหมนิสัยความเป็นขโมยมันแก้ไม่หายของภรรยาตัวเองก็ขโมยเนี่ยจนพรรยามามาดูเอาทรัพย์เราหายไปไหนหมดก็มาดูอ เ, เอาขอโมยแล้วไปไหนขโมยแล้วเอาไปขายแล้วซื้อเหล้ากินโอเเนี้ยจนพรรยานี้เก็บทรัพย์เก็บ ทรัพย์ก้อสุดท้ายที่พ่อสมมาให้เป็นของไว้อย่างดีเก็บไว้ในภาพโขกของตัวเองจำไม่ได้ไอสามีตัวนี้ก็ด้วยความที่ติดความเป็นขโมยก็พยายามค้นตัวของภรรยา ม, มีทรัพย์แบบ น, นี้จนสุดท้ายติดความติดนิสัยที่จะขโมยและพรรยามไม่ยอมให้จขะข้าจะฆ่าภรรยาภรรยาก็เลยออกอุบายออกอุบายไปเพื่อที่จะ เอาตัวล่อบอกว่าถ้าถ้าท่านจะฆ่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทําพลีกรรมแก่ท่านหน่อยก่อนที่ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้บนบานสารเก่าเทวดาที่อยู่หน้าผาไว้ว่าหากข้าพเจ้าได้แต่งงานอยู่กินกับท่านข้าพเจ้าจะทําการบวมสูงเทวดาขอให้ข้าพเจ้าได้ทําการบวมสูงเช่นนั้นก่อนก็เลยพาสามีไปทำการบูมสูงก่อนที่ สามีจะฆาไปที่หน้าผาจากนั้นก็ทำการเบียนรอบปนอมือเบียนรอบสามีสามครั้งรู้สึกรอบที่สา ม, มา้างเห็นสามีเลผลอก็ผักผ่าสามีลงหน้าผาไปนิสัยอันนี้พูดถึงนิสัยนะนิสัยพวกนี้การเป็นโจรการเป็นอะไรก็ตามมันจะส อ, สอออกถึงนิสัย เมื่อมีนิสัยเป็นโจรลักเลขข็กขโมยนะ้อตอนแรกก็ลักเลขข็กขนะโมยน้อยธรรมดามีโทษน้อยแต่เมื่อไ ม, ม่มีการขัดพื้นไม่ให้ปักมันจะเกิดเนี่ยสิ่งที่แทรกเข้ามาในนิสัยที่เป็นก็คือพวกอารมณ์อิเลสพวกความอยากความต้องการตัญหาเวทนาการยิดมันถึงมันพวกเนี้มันแทรกเข้ามาส่วนนิสัยที่เป็นลักเลขข็กขโมยนะ้อยถือว่าเป็นเรื่องปกติอันนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ในครั้งพุทธการที่ภาษาริบุตร ส่งผ้าไปให้พระ้าอนุส์สงผ้าว่าที่ภาษาริบุ่คือภาษาริบุ่นโสผ้าไปให้ผ้าอนุนีน่แหละแล้วฝากภิกษุองค์หนึ่งไปบอกว่านําผ้านี้ไปให้พ้าอานุภิกษุองค์นั้นมันมีนิสัยดื้อโจน่ะติดมาพอถือถือผ้านี้ไปจะให้ไปให้ผ้าอานนุผ้าอนไม่อยู่ในตำแหน่งก็เลยไม่ไม่ไปให้ผ้าอนุนั้นก็เลยยึดถือผ้าเนี่ยเป็นของตัวเองไปเลยก็ล เ, เลยมีเรื่องถือกันนี่แหละว่าเอพระองค์นี้ยึด ยึดถือผ้าที่ภาษารีบุดฝากไว้ให้ผ้าอาโน์เนี่ยยึดออกมาเป็นของตัวเองท่านได้ขโมยไหมท่านต้องอาบัตหรือเปล่านี่ยนก็เลยไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็เลิสูุนนั้นไปถามไปไต่ถามเอาว่าท่านได้เอาผ้าที่ภาษารีบุดฝากไว้ให้ผ้าอาโน์เนี่ยมาไว้เป็นของตนเนี่ยท่านเธอมีจิตอยากจะขโมยหรืออยากจะรับผ้านี้มาเป็นของตัวเองไหม พี่สูนั่นบอกไม่มีจิตอยากจะรักแล้วท่านถือเอาไปทําไมเธอถือเอาไปทําไมถือเอาเลยคิดว่าถ้าองคไม่อยู่คภานี้ควรจะตกเป็นของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าก็บอกไม่ต้องอับอายวันมพ้ชอจตัดสินอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกเป็นการถือเอาด้วยความคุ้นเคยหรือเรีว่าวิสาสะเป็นการถือเอาคุ้นเคยเพราะเป็นผู้คุ้นเคยกันกับ ประมุขนะภาษาลิบุตในเวทเนี้ยประมาณเนี่ยนะตึงลราแต่ไม่ได้ใจว่าท้องเรื่องจะเป็นอย่างนี้ไม่จำมาคพราวครคือการปิดนิสัยมันเป็นนิสัยต้องแยกนออกระหว่าง น, นิสัยกับความผิดความถูกบางคนมันแยกไม่ออกตีรวมกันไปหมดนียหลายอย่างนิสัยเป็นทุกข์เป็น เป็นสิ่งที่แก้ไม่หายครับนิสัยเนะแก้ยังไงก็ไม่หายหรือภาษารีบุตรเคยเกิดเป็นลิงก็ก็แก้ไม่หายหนุ่งผ้าจีวรย้อยหน้าย้อยหลังไม่ค่อยเรียบร้อยเน้นก็เตือนอยู่อาจารย์คุมผ้าไหมท่านก็คุมไหมก็ดีอยู่แต่พอสภาพาไปก็ย้อยหน้าย้อยหลังอีกเน้นก็เตือนตีผ้าอาจารย์คุมผ้าไหมไม่เรียบร้อยท่านก็แก้ไขตัวเองคุมผ้าไหมมันมันมนิสัย ข, ของลิงมาก่อนเคยเกิดเป็นลิงห้าร้ชา แต่ดีที่ท่านยอมปรับแค่ไขตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่หรืเนนมาเตือนแล้วมึงมาเตือนมึงมาสอนกูนทําไมอะไรเวกเนี้ยท่านเปลี่นถึงอัครส า, าวกเนนบอกท่านก็ยอมอยอมแค่ไขตัวเองแต่นิสัยก็เป็นนิสยัยเดินผ่านห้องน้ํากระโดดเหมือนลิงเนี้นยอื่นเดินก้าวข้ามธรรมดาพนระอบอกอลไรนะก็มีนิสยัยลักษณะเขาเรียกว่า ชอบบรรลืสีหนาชอบแสดงรีดแสดงอะไรเคยไม่รูเเ้เคยเกิดป็นอะไรแต่ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเป็นพระโมฆลนาเานี่ยมาจากนารกตามประวัติว่าอย่างนั้น่ะมาจากอบายภูมิมาจากนารกภูมิก็คงจะมีบาปหนักเหมือนกันนะแต่เป็นมาจากนารกพระอัญญาโกธัญะมีนิสัยชอบอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้สอนทำบรรลุ เป็นพระราหาัน ร, รูปแรกเป็นพระโสดบาบันรูปแรกอาลาหาันนั้นบรรลุพร้อมกันห้าองค์เนาะถงไปห้าองค์บรรลุแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าสอนลูกศิษย์อยู่คนเดียวคือพระคุณนมัมตานิบุเป็นลานของตัวเองเน่านั้นก็ไม่ได้สอนอยู่ในป่าป้าชอบใจกันอยู่คนเดียวอันนั้นก็มีตามปัธยาใัยตามนิสยัยนมีนิสัยยังไงเนี่ย นิสัยไฟไฟการไฟธรรมไฟการศึกษาเรียนรู้ในธรรมไฟที่จะบวช ด, ด้วยนะเป็นนิสัยติดมาแต่ปางก่อนปางก่อนก็สังสมมาก่อนนะบอกให้มีครอบครัวสันหัว <c oughs> บอกไม่เอาไงนะมันมันมีนิสัยมาแต่ปางก่อนนะี่ละมีนิสัยอะไรนะนะ นิสัยไปทำเนะหมือนกันเ่ยนะจะไม่หลับไปศึกษาเรียนรู้ไปมันทุกอย่างมีนิสัยปู่ฝังมานิสัยจะเป็นการแสดงออกทางด้านดีด้านไม่ดีน่าจะเป็นประมาณนี้วาสนานิสัยในยมชาตินิสัยเป็นยังไงยมชาติบอกผมมีนิสัยจู้จี้ขี้บน่นไม่รู้เป็นยังไงไม่บ่นแล้ว อ, อยู่ไม่เป็นสุข ชอบผลนะแต่ล้างล้างมารู้สึกควบคุมได้ดีขึ้นฝั่างนันนะแม่เทียนน่ะนิสัยเป็นยังไงเอานิสัยมาพูดกันแล้วสิเด็กแ่นข้างมเรื่องมาก่าเรื่องมากอะกหรือกไรอเรื่องมากเนเรื่องมากนี่เป็นนิสั ย, ยหรอือเปล่ามันเหมว่าชอบไปจัด ก, การอะยาเยอ๋อ อ, อก็รู้นะก็ให้รู้ตัวเองหากเรารู้ว่าเรามีนิ ส, สัยอย่างไรเราก็ต้องมาเช็คดูว่านิ ส, ส, นนนนน ส, สัยไหนควรเจริญขึ้นนิสัยไหนควรรักเนี่ยไม่ะอะไรที่เป็นโทษให้ลักอะไรที่เป็นประโยชน์ให้เจริญขึ้นใจร้อนใจร้อนบางอย่างมีประโยชน์เหมือนกันใจร้อนบางอย่างมีโทษเหมือนกันใจเย็นบางอย่างมีโทษนะใจเย็นบางอย่างมีประโยชน์ รู้จักการที่ควรใช้บ า, บางครั้งก็ควรร้อนบางครั้งก็กวรเย็นร้อนในอะไรเรียกว่าทําคุณงามความดีให้เร่งให้เร่งรีบให้รีบร้อนในการทำเขาเรียกว่าให้ใจร้อนไปเลยทําคุณงามความดีอย่าช้าแต่จะทําทอะไรมันไม่ดีเนี่ยให้ใจเย็นที่ใส่ให้ใจเย็นไหมแต่ทำความทําความดีที่ให้เร่งสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์บอก ไปรีบไปทําความเพียรรีบ ไ, ไปเดินโงกมทําไมให้มันเสร็จเรียรีบไปนอนเข้าป่าเข้าทางจงกมท่านไม่ได้บอกว่าขึ้นกุฏินอนมีมีหะแต่พาะุกวันนี้บอกให้ไปทางจงกงมือเดินเข้ากุฏินอนทุกวันเนี้ยเอ๊ะมันยัอยู่ลู้ ป, ปู่ไม่ได้ท่านบอกไปทางโงกงก็เสร็จจากงานสาลาอะไรเสร็จจงกงเท่านั้นเลยนะถ้าไม่ทําข้อวัดกิจวัตรนั่นคือทางจงกมที่อยู่ แล้วท่านก็นจะเดินไปตามทางจงกมของพระถ้าไม่อยู่ให้เห็นแเราไปไหนี้นหรือไปดูดทางจงกมไม่มีรอยทําอะไรกันอยู่พระถ้าไปทําข้อวัดอย่างอื่นจะไม่ว่าแต่ถ้าอยู่ในบุตเสร็จหากหากเราเดินอยู่มันต้องเดินด้วยท่านอ่างนี้ยหากเรานั่งมันต้องยืน หากเรารนอนมันถึงจะนั่งได้ลูกปู้อะสอนอย่างนี้เลยจ้ะในธรรดาเวลาทํางานทําการงานท่านท่านคุมคุมพระควบคุมพระในการคำพ่อวัดกินจะวัดในหลายๆอย่างเราก็เห็นลูกปูเดินคุมไม่เห็นท่านนั่งสักทีก็กลัวท่านจะเหนื่อยเนาะท่านเกิดอายุมากเห็นเดินควบคุมเนีงยบางทีท่านก็ทําเองด้วยร่วมกันทําด้วยเราก็กลัวท่านจะเหนื่อย แล้วก็ไปหาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งท่านก็บอกว่าเอามาทําไมเก้าอี้เอามาให้น้องปู่นั่งครับน้องปูน้องปูงัยเราไม่เอาความสุขกับการนั่งหรอกถนะัดโอ้โหเรานึกว่าเราจะได้ได้ความเมตตาจากปู่ว่าท่านเออเอามาให้คุณนั่งจะดีเพราะไม่เอาความรู้สึกเราไมเอาความสุขกับการนั่งหรอกนะโอได้ยกหนีรีบหนีอย่างเร็วเลยนะถ้าถือเอาไว้ตรงนั้นโดนดายครูบาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ทไม я? ท่านทนขนาดนี้เดินท่านชอบเดินหลอบบ่ะเดินยันนั่นป่ะครัเดินยันเหนื่อยไร้ใย้อยเราก็ถือลมเดินตามพ้นท่านสมัยปฏิบัติมันก็มีหลายอย่างมีแต่การเร่งรีบในการทำเดินโยงคงก็เร่งรีบรีบรีบไปเดินโยงคงรีบฉันให้เสร็จบางทีเข <on average> <res S 1> ี <dif. S 2> ้ยวคืนเขี้ยวคืนยังไม่ทันละเอียดเท่าไหร่ เสร็จลุบ ป, ปั๊บล้างบาดเสร็จเทียบร้อยรับบาดคบณอาจ า, ารย์ไปได้เสร็จร้อยปัดความทุสรรารเสิ็ปุ๊บเดินทางโยงกลมอันนี้วนเวียนอย่างนี้วงจรชีวิตทางจงกลมทั้งสมาธิทางโยงกลมทังสมาธินั่สมาธิไม่พอได้หลังจากขันแลว้ว ม, ม, มัดจัดมัดจั่ต้องเดินเดินให้มันตื่นเดินให้มันจ่อยท่านบอกว่าหลังจากขันเสร็จเดินไปจนถึงเที่ยงทองมันจะเริ่มที่ที่มันอิม่มอิ่มนะมันก็เริ่มเบาลงมันย่อยเดินแล้วมันจะย่อยไฟธาตมันจะดี เบาก็เบ า, บาจริงเบาจนหิวเลยนะรู้สึกหิวเลยนะ ห, หิวไปหาน้ำตาลหาอะไรฉันในเวลาถ้าไปฉันเอยังไม่เลยเที่ยงถ้าไปฉันโดนีโดนดาต้องเลยเที่ยงก่อนถึงจะเป็นปลาหน้าธรรมดน้ำบรร ด, ดาน้ำบรรดาน้ำผู้ชนิดนี่นะน้ำกาแฟน้ําโค้งต้องเลยเที่ยงก่อนถึงจะเป็นปลาหน้าถ้ายังฉันก่อนเที่ยงไม่เป็นปลาหน้าฉันไม่ได้ผิดข้อวัดไม่ถูก สอนมาอย่างนี้ตลอดวงจรชีวิตก็อยู่เนี้ยพ่อวัดกิจวัดพ่าวัดกิติจะวัดอย่านี้เร่องค้งด้านสมาธิส่วนการภาวนามันเป็นต้องเป็นติดตลอดยีิบสีชั่วโมงเนี้ยภาวนาภาวนาพิเรื่องความเห็นใช่ไหมความเห็นต้องตรงตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเนี้ยไม่ใช่ว่าภ า, าวนาจะต้องมีเฉพาะตอนเดินจงกรมไม่ใช่ต้องมีจรตอนด้านสมาธิก็ไม่ใช่ภาวนาต้องมีตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแต่ลีลาบทเนี่ยที่มันจะช่วยส่งเสริมการภาวนาให้ติดต่อเนื่องเนี่ย นั่นคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเป็นอิริยาบถ e ii, ในการช่วยที่ซริแต่การภาวนาคือการตั้งความเห็นนี่ตรงนัง้นต้องมีอยู่แล้วนะในจิตในยิบสี่ชั่วโมงไม่รู้จะพูดอะไรถ้า ม, มีใครถามก็อรู้ดีใสยตัวเองก็แกนีนใสยตัวเอง เมื่แก้นิสัยตัวเองเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองนิสัยก็แก้ได้แต่ถ้าเป็นนิสัยพื้นเพนั้นแก้ไม่ได้แต่การปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนได้หรือว่าแยกนิสัยออกจากสิ่งที่มันแทรกเข้ามาในนิสัยของเราที่พวกกิาาเลสอาสาบพวกนี้ยแยกให้ออกเพราะแยกออกแล้วเราก็จะรู้วีปฏิบัติว่าจะปฏิบัติต่อ สิ่ที่แทรกเข้ามานั้นอย่างไรแล้วก็จะใช้ทำมาเป็นตครื่องแก้ให้สติเป็นเครื่องแก้ทุกคนจ้าครับเมื่อวานฟังเรื่องที่คุจ้าพูดเรื่องสีนแล้วก็สงสัยแล้วก็กลับไปตก็ไม่ตกเปนมือใครครับเพระาะคุณจ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ า, า เ, าาเาช่นคนที่ไม่ชอบดินเหล้าคนนั้นถือว่าไม่ใช่ว่าถือสินข้อห้าได้ใช่ไหมครับ ใช่อ่คนที่ไม่กินเหล้าโดยอภิยา a s ัยอันนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรักศีนคือเขาไม่กินโดยอภิยา a s ัยอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วไม่อันนี้ไม่ชื่อว่าศีลในทางพุทธศาสนาและเขไม่มีอานิสงส์ของศีนไม่มีอานิสงส์ของศีลแต่เป็นกรรมดีคือเกิดมาก็มีสติปัญญาที่ดีมีกรรมดีและอีกคนหนึ่งที่เขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าท่องแับ สุลามีระยะปัจจิยมาท า, านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาพึงเว้นจากการที่แบบว่าเพื่อนชวนปุ๊บไม่กินวันนี้เครียดอยากกินเหล้าไม่กินอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้สมาทานแบบที่ว่าเขาเที่ยวทากันอย่างเงี้ยครับผมที่ว่าตอก่อนเตืเอน เจตนาที่จะไม่กินนันคือสีนี่คือสีแล้วใช่ใช่แสดงว่าไอ้ที่ว่านั่งตา า, าติปาตาเวมณีอันนี้ไม่ไม่เป็นแค่ิกรไม่เกี่ยวกัองใช่ ไ, ชไอ้ทิปาตาติปาตาเวลมามณีจนถึงสุลาเมรยะมัญชปมาทธานาอันนั้นไม่ใช่สีอันนั้นเป็นการบอกสีขาบทบอกสีขาบทห้าอย่างหากไปตั้งเจตนาที่จะงดเว้นในสีขาบทห้าอย่างจึงจะเป็นสีแต่คนทั่วไปไปรับสีขาบทแต่ไม่ตั้งเจตนา รักษารับรับสี่ขาบทเสร็จปั๊บคือไปเรียนรู้สิ่ขาบทอ่ะกลับไปบ้านก็ไปทําผิดคือรับแล้วไม่เอาไปรักษาคือไม่ตั้งเจตนารักษาอันนั้นไม่ใช่สินอันนี้ผมพูดแบบผมเอาตรงเลยนะครับใ<ช>่มันยังผมเนี่ยบางทีโดยนิ ส, สัยถ้าพูดนิ ส, สัยผมก็ไม่รู้อยู่นิ ส, สัยที่แก้ได้แกไม่ได้แต่ผมรู้ด้วยว่า พอเวลาผมเห็นอะไรปุบแล้วมันจะมีตัวมันพุ่ขึ้นมาว่าเอาดิประมาณาขอคนอื่นครับครับผมผมก็จะตอบท้ายกหมือนกันว่าขอโทษนะครับถ้ามึงเอากูจะตัดเฉียนจริงอย่างเนี้ย ค, คือคือแบบพยายามแบบว่เข้มงวดกับตัวเองในเรื่องเองนี้ยถือว่าเป็นสีไหมครับก็เป็นสีใช่ไหมเพราะเราเจตนาที่จะงวดมันไม่ให้ออกไม่ได้ ม, มันไม่ใช่มีมเงื่อนไขอย่างนั้นไม่ใช่มีเงื่อนไขว่ามึงเอาปุ๊บจะตัด แขนมึงทิ้งอะไรตัดกระดูกทิ้งกันนะอันนปู่ตัวเองแค่ไหมล่ะคืออาการคืออาการปู่อาการที่เป็นศีลคือเจตนาที่จะไม่รักเห็นสิ่งที่ชอบใจปั๊บเห็นแล้วอยากจะได้เต็มที่เลยกําลังแห่งความอยากมันพุ่งเข้าไปที่จะจับปั๊บนี่ยสติมันทันเอาปั๊บเจตนาคนเป็นที่จะไม่เอาครับอยากไม่เอาเขานะมึงตั้งเจตนาไว้แล้วว่าจะไม่เอารักษาเจตนาตัวเองไว้อย่างนี้นั่นคือศีล เหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งรับศีลจากาไปสมาทานศีลจากพระคือไปเรียนรู้ศีลมาแล้วก็สมาทานเลยภายในตัวเองเลยจะตั้งจินตนาที่จะหมดวินพอดีว่าแม่ไม่สบายแม่ป่วยหมอก็บอกว่าให้ไปเอากระต่ายมาเป็นยารักษาเพราะว่ายาอยู่ที่กระต่าย คือตัวของกระต่ายเนี่ยมันจะบินเป็นยารักษาโรคของแม่ก็ไปหากระต่ายไปดักกระต่ายพอดักกระต่ายกระต่ายติดแล้วไปเห็นกระต่ายที่ติดแล้วอยู่บินทุรนทุรไลก็คิดอยู่ว่าจะเอาไ ป, ไปทําเป็นยาพอไปเห็นกระต่ายแล้วก็เกิดความสงสารเอ้เราผู้สมาทานศีลแล้วไม่ควรที่จะทําชีวิตสัตว์ให้ตกลงไปไม่ว่ากรณีใดๆเลย ก็เลยปล่อยกระต่ายนะั้นเข้าไปในป่ากลับไปถึงบ้านพี่ก็บอกว่าไหนล่ะกระต่ายก็บอกปล่อยมันไปแล้วมึงปล่อยไปทําไมพี่ก็ดา่าอมึงปล่อยไปทําไมึงรู้ไหมแม่จะมีชีวิตรอดเพราะพาะอาศัยกระต่ายเอามาเป็นยานะั่นถ้าไม่เอาเอามาแนละ้วแม่จะมีชีวิตรอดได้ยังไงพี่ชายก็ดา่าน้องชายก็เลยบอกว่าด้วยอนุภาพของการสมาทานสีขาบท ของข้าพเจ้านี้ด้วยสัจจ์ของข้าพเจ้าที่ไม่ค่ากระต่ายขอให้โลกภายในร่างกายของแม่จงสมุบระงับไ ป, ปราลว่าโลกในร่างกายของแม่ก็หายด้วยอนุภาพของศีลเจตนาหมดเป็นหายได้นั่คือเขารักษาจริงเป็นสัจจะฆ่กาก็มีค่านั่นคือรักษาเจตนาของตัวเองรักษาศีลคือรักษาเจตนา ส่วนสีข่ข้าบทนั้นนั่นเป็นเครื่องอเราเป็นโอษที่ทําให้เราไม่ละเมิดโดยเจตนาของเรา mm. เห็นเหล้าอยากจะกินเต็มที่แต่ไม่กินเพราะรักษาเจตนาตัวเอง mm. เพราะฉะนั้นในสี่ข้าบทห้าข้อนะ่ะมันเป็นเครื่องยัไงไงวัดความการละเมิดของเจตนาของเราบ้างว่าจะละเมิดเจตนาของเราหรือเปล่า ถ, ถ้าไม่มีสีข่ข้อบทหข้อเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะรักษาเจตนาของตัวเองในข้อไหนเพื่อจะมาบอกว่าข้าสัต ร, ร์ทักษะภูมิณียกรรมพอหุดุลโซล่าเนี่ยเป็นเครื่องแสดงออกถึงการรักษาเจตนาของเราเข้าใจนะครับพ่อเจตนาเป็นตัวศีลไม่มีเจตนาที่จะรักษาไม่ฆ่าสัตว์เป็นอัธยาศัยไม่รักทรัพย์เป็นอัธยาศัย ไม่ประพฤติผิดกกาศไม่โกงไม่ดืはは่มสุราก็ไม่เป็นศีลบางคนไม่ฆ่าสัตว์เพราะกลัวกรรมไม่รัพย์เพราะกลัวถูกจับเไม่ประพฤติผิดกรรมเพราะกลัวความเดือดร้อนในครอบครัวไม่โกงเพราะกลัวถูกจับได้ไม่ดื่มสุราเพราะกลัวความมึนเมากลัวอะไรดื่มเมาแล้วขับอะไรแบเนี้กลัวโดนเป่าอะไรแบี้ กลัวประเภทนี้ไม่ชื่อว่าศีลกลัวแล้วไม่ดื่มไม่ชื่อว่ารักษาศีลแต่เจตนาอย่างแรงกล้าว่าจะไม่ค่าสักดิ์ไม่รักษาไม่ผิดนิการไม่โกหไม่ดื่มโซลาแล้วไม่ทําเมื่อมีมูลเหตุที่จะให้กระทํารักษาเจตนาของตัวเองอย่างเต็มที่ตัวนี้คือเป็นศีลเพราะฉะนั้นลําพังการสมาทานศีลไม่ใช่ไปรับกับพระรับกับพระไม่ใช่ศีล ศีล ส, สามารถสร้างขึ้นมาได้วยกำลังของเจตนาของตัวเองการไปรับกับพระแสดงว่าไม่รักษาศีลด้วยเจตนาคือไม่มีเจตนาที่จะรักษาต้องไปขอจากพระถ้ามีเจตนาที่จะรักษาแล้วไม่ต้องไปขอกับใครมันอยู่ที่ตัวเราก็ทําขึ้นมาเลยเจตนาขึ้นมาเลยวัเว้นขึ้นมาเลยแต่เขาก็ติดกับการประเพณีนในการสมาทานศีลกัอนอยู่ ข้อทรมถ้าไม่ถามก็อธิบายไม่ได้อธิบายอะไรก็ถามอีกเรื่องหนึ่งรักเรื่องสติอัตถานสี่ที่ว่ากายในการจิตในจิตเวทนาในเวทนามันมันยังไงครับกายในกายเห็นกายในกายแล้เห็นพยายามพิจารณาเนื้อหนังบางสา กนเนื้อกระดูกลันไสพวกนี้หรอครับนี่คือกายในกายนะครับบรรดากายัองปวงมันก็ถ้ามันมีกายในกายก็แสดงมีกายนอกกายครับกายนอกคือกายอื่นสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวเราเรียกว่ากายนอกกายในคือตัวเราคือกายในกายคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกายคือองค์องค์ตัวร่างกายทั้งหมดครับเรียกว่ากาย ในกายคือสิ่งที่ตั้งอยู่ในกายที่เป็นตัวกายขึ้นมาดูมีผมขนเล็บป um. ันนังเนื huh ้อเอ็นกระดูกในกายทําไมพระเจ้าที่ไปดูผมขนเล็บป <ami> <mel> ันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกมากเพราะใจตับของตืวใจปอดในกายเพื่อให้ดูว่าในกายมีตัวตนของเราไหมเวทนาที่นี่ปรากฏในเวทนามีตัวตนของเราไหมเวทนาอารมณ์ใช่เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้าง ไม่ทุกไม่สุบ้างใครเป็นผู้เป็นเราเป็นผู้เป็นหรือใครเป็นผู้เป็นให้ดูเวทนาในเวทนาในเวทนามีตัวเราหรือเปล่าเป็นผู้เป็นหรือเป็นเรื่องของเวทนาเองที่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันภาษาที่เป็นสุกเกิดขึ้นสุขก็เกิดใช่ไหมล่ะภาษาที่เป็นทุกเกิดขึ้นทุกก็เกิดใช่ไหมล่ะภาษาที่ไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกเกิดขึ้นก็เฉยเยใช่ไหมล่ะถามว่าในอาการพวกนี้ยมีตัวเราไหม มีตัวตนใดๆที่เป็นผู้สูงผู้ทุกข์ไหมไม่นี้เพราะฉะนั้นในเวทนาดูดูเวทนาในเวทนาก็ในเวทนาไม่มีตัวตนของใครผู้ใดในกายก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดมันมีแค่ผมผมเลืบปปันน้ำเลือกเอ็ Ой, เอกระดูบที่เราก็จะว่ามีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในตัวเรามันไม่มีในเวทนาก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดดูจิตในจิตเข้าไปอีกว่าในในจิตมีตัวตนของใครผู้ใดไหมที่คิดขึ้นมาว่าเอ คิดในเรื่องของกุศลคิดในเรื่องของอกุศลคิดโกรธคิดเครียดคิดรักคิดชงังคิดโมโหคิดลำคาญฟุงงซ่านรุร่นวายราคะโทสะโมห oh ะในในจิตพวกเนี้มีตัวตนของใครอยู่อยู่ในนั้นั้มทําหมืกรรมกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นอรภยาคตาธรรมเกิดขึ้นประกอบกับจิตในธรรมนี่มีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในนั้นไหมดูไปกายในกายเวทนานในเวทนาน จิตในจิตทำในธรรมมีใครอยู่เนี่นะไป ม, มีพอเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างของแท้แล้วเป็นเพียงแค่สัตว์แต่ว่าไม่รับรู้ว่านี่คือกายให้รับรู้แค่ว่าเวทนาให้รับรู้เรื่องคือจิตจิตมีราคะก็ก็คือจิตจิตมีโทรศั์ก็คือจิตไม่ไม่ต้องไปปฏิเสธมันราคาดับไปก็รู้ว่ามันดับไปได้ละโทรศัพท์ดับไปก็รู้ว่าโทรศัพท์ดับไปได้โมหะดับไปก็รู้ว่าโมหะดับไปได้ ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ว่าฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็คือจิตแต่ในจิตในความฟุงงซ่านไม่มีตัวตนของใครผู้ใดเป็นผู้ฟุงงซ่านแต่ฟุ้งซ่านเกิดจากธรรมดาของจิตจึงคิดแต่ในฟุ้งซ่านไม่มีตัวตนของใครฟุ้งซ่านดับไปก็ดับไปตามธรรมดาของมันจิตสงบในความสงบก็ไม่มีตัวตนของใครมันสงบด้วยอารมณ์ของมันจิตเข้าฌานในฌานก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใด มหาคตาจิตจิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาไม่มีตัวตนของใครผู้ใดเป็นเพียงแค่อาการที่แสดงออกผ่านจิตเพราะฉะนั้นทำกุศลทำอกุศลทำอภักัตตรทำหรือนิวรณ์ทำน้งหมดไม่มีตัวตนของใครผู้ใดเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านเข้ามาประกอบกับจิตขณะจิตที่เป็นนั้นประกอบด้วยกุศลอกุศลหรือถูกข้อ ง, งับด้วยนิวรณ์หรือเปล่า เมื่อมีสติตามรู้อยู่อย่างนี้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมมันก็ไม่ได้ยึดมั่นถึงอบัน่นภายในตัวเองมันค่อยๆไถ่ถอนออกไปเพราะไ ม, ม่มีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในตัวเราเรารู้แจ้งรู้ชัดเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติประฐานสีจะเป็นเครื่องกั้นอกุศลทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นในจิต เมื่อ อ, อปุสสนทั้งพวงไม่เกิดขึ้นในจิตจิตที่ละเมิดในศีลก็ไม่เป็นไปอันจะรู้จักสังวรภายในตัวเองนี้สมบทระงับภายในตัวเองเองแต่ก็รู้ว่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีตัวตนของใครผู้ใดศีลเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในศีลสมาธิเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดอยู่ในปัญญา ไม่มีมัดเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดยอยู่ในมัดผลเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวตนของใครผู้ใดยอยู่ในผลเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยที่เกิดตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยสืบต่อเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองไม่มีตัวตนของใครผู้ใดยอยู่ในนั้น หลักการนี้มันก็ทําลายความเห็นผิดหรือผิดถิ่ใดๆก็ตามที่เราเคยยึดมั่นถึงมาในตัวตนทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราไดนะ้แล้วแล้วแล้คิดว่ า, าคือพอไปเชื่อมโยงผมเคยได้ยินมาคุณเต้าท่านจะบอกว่าพิสุกจะต้องเจริญสติม ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเดินยืนนั่งริง น, นอนชีพทายอะไรอย่างนี้ยครับก็จะต้องดูสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับกายในกายจิตในจิต ใ, <ช>ในพนาในพนาใช่ในขณะที่ภาวนาเป็นอย่างนั้นละที่ว่าผมเคยได้ยินว่าที่ว่า อ, อให้ดูลงหายใจให้ให้ดูให้เพ่งเพิ่งปลายจมูกอะไรพวกเนี้ครับแสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่การเจริญสติอัฏฐานนะครับไม่ใช่ อาณาปานสติจัดเป็นสติอันหนึ่งใช่ไหมแลลึกรู้ในลมหายใจใช่ไหมไม่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับงั้นก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่รู้ <c oughs> เรื่องแล้วพูดไปแล้วมันจะงงกันไปหมดเพราะสติประธาน อ, อ, อาณาปานสติเป็นสูนตรที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งปวงซับซ้อนยุ่งเหยิงมากแล้วระดับไหนมันมันต้องผ่านก่อนกันครับต้องผ่านสติประธานไม่ไม่ไม่ไม่พี่นาไกา ในกายมีใครอยู่ในนี้ไหมในตัวเราในเส้นผมมีตัวตนของใครอยู่ในนั้นไหมในผนในเล็บในฟันในเนื้อในหนังในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในม้ามในหัวใจในตับในไตในปอดในเส้นใหญ่เส้นน้อยมีตัวตนของใครอยู่ในนั้นไหมตับอักเสบอย่างเงี้ยมีตัวตนในตับที่เป็นตัวแสดงความเจ็บป่วยและอักเสบขึ้นมาไหม ปอดบวมมีตัวตนของใครเป็นผู้สแสดงอาการแห่งความเป็นเจ็บป่วยอยู่ในปอดไหมปอดบวมก็เป็นเรื่องของปอดตับอักเสบก็เป็นเรื่องของตับอักเสบกายป่วยกว็เป็นเรื่องของกายป่วยไม่มีตัวตนของใครผู้ใดเป็นแต่เราจะคูกอวิชชาครอบงําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเราต้องทําลายอาวิชชาในข้อนี้โดยการากาใใพินากายในกายพิณากายในกายพอจะรู้จักเวทนาในเวทนา เมื่อรู้ชัดกายในกายแล้วเวทนาในเวทนาก็จะรู้ชัดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อในเวทนาก็เป็นเพียงแค่อาการของการแสดงออกจากสิ่งที่มาผัสาะนี่มีตัวตนแล้วเมื่อรู้เวทนาในเวทนาชัดจะรู้จิตในจิตชัดตามลําดับไม่มีการข้ามลาดับจากกายเข้าไปหาเวทนาจากเวทนาเข้าไปหาจิตหมายถึงว่าเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นทางกายปับ๊บ หากเราเห็นกายตามความจริงว่าไม่มีตัวตนของใครอยู่ในนี้เวทนาอาจเป็นความดิ้นรนเดือดร้อนในภายในที่เป็นสุขหรือทุกข์นะเราก็จะรู้ว่าในเวทนาที่เกิดขึ้นที่ดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ในเวทนานะั้นมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกับนั่งอยู่ในเวลานี้กายนั่งมีตัวตนของใครเป็นผู้นั่งไหมมีตัวตนของบุคคลเป็นผู้นั่งไหม ถ้าตอกแบบปุถุชนผู้โมเขาก็มีครับตอมีแต่เมื่อเราดูแล้อันนี้คือเส้นผมอยู่บนหนังศีรษะขนเกิดอยู่ตามผิวหนังเล็บปลายนิ้วฟันเกิดอยูอ่นซอกเหงือหนังก็พูดโดยรอบเนื้ออยู่ใต้ผิวหนังลงไปเอ็นก็รัดลึงกระดูกไว้เอน็นกระดูกเยอะในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับตับอนืนไตปอดอะไรเป็นผู้นั่งาบอกว่า เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเส้นผมเป็นผู้นั่งขหรือเป็นผู้นั่งเล็บหรือเป็นผู้นั่งฟันหรือเป็นผู้นั่งเนื้อหรือเป็นผู้นั่งเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้ามเมืใจตับอังศุ์ไตปอดเสียอย่าใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือเป็นผู้นั่งใครเป็นผู้นั่งไม่มีใครเป็นผู้นั่งเป็นเพียงแต่ว่าเอามากองรวมกันอาการ32มากองรวมกันตั้งอยู่ไม่มีใครมีใครเป็นผู้นั่งไม่มีตัวตอน้องใครเป็นผู้นั่งเรารู้แจ้งแจ้งอย่างนี้แล้วปั๊บ เรามีเวทนาอะไรในขณะนี้ขณะที่นั่งอยู่นี้อาจจะเกิดจากการเจ็บเจ็บแม่ห่ะเมื่อยในขณะที่นั่งถามว่าเจ็บเนี่ยมีตัวตนของใครเป็นผู้เจ็บไม่ได้มีตัวตนของใครเพราะมานั่งท่านี้นานๆความเจ็บเลยเกิดขึ้นเพราะนั้นเองที่มีตัวตนของใครเวทนาสุขนั่นเราเป็นผู้ตัวทุกนทักนเราเป็นผู้เจ็บไม่ใช่ทุกก็แสดงอาการที่ถึง เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากายเป็นอย่างนี้เราจะไม่กังกวลกวายภายในเวทนาปรากฏเราก็ไม่กระวลกวายแล้วก็จะรู้เวทนาตามกฏจิตจิตก็ไม่กระสับกระสายจิตก็จะตั้งมั่นรับรู้เมื่อจิตไม่กรสัตกระาสายทำที่ประกอบกับจิตก็เป็นอภยากตธรรมธรรมที่เป็นกลา ง, ลางไม่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเพราะจิตไม่กระสับกระสายแต่ถ้าจิตกระสับกระสายพวกก็จะเป็นราคะหวงแหนงายหรือเปล่าโทสะปฏิเสธความทุกข์ในกายหรือเปล่าปฏิเสธเวทนาหรือเปล่า คือไม่ชอบใจในเวทนาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าโมหะค้อลงยึดกายทั้งตัวว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าจิตสติต้องตามระลึกอย่างนี้อยู่เสมอว่ายังยึดถืออยู่ไหมหากยังยึดถืออยู่มันจะประกอบไปด้วยกุศลธรรมอกุศลธรรมสออย่างเช่นนั่งฟังอย่างเนี้ก็เกิดเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมมีตัวตนว่างใจเป็นกุศลไหมไม่มีมาจากเหตุปัจจัยในการรับรู้รับทราบไปสิ่งที่เป็นกุศลมันจิ่งเกิดกุศลถ้าหากไปรับรู้รับทราบถึงเป็นอกุศลก็เกิดอกุศลไม่มีตัวตนว่างใจผู้ใด เมื่อเราทราบสิ่งที่จิตเราเป็นการเราจะเห็นเพียงแค่สัก์แต่ว่ากายคือการประกอบรวมกันของอาการสาริสสองมากองรวมกันเวทนาคือสิ่งที่แสดงออกของกายที่มากองรวมกันมันมากองรวมกันอย่างนี้มันก็เลยมีเวทนาขึ้นมีสุขมีทุกข์ขึ้นจิตกระสับสรรกระสายไหมหรือจิตเป็นปกติ จิตเป็นการตั้งมั่นอยู่กุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นเพียงแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราจะทราบตรงนี้มันจะฉลาดในการทำพันิพาณแจ้งนี่คือเหตุผลที่วงทรงสอนสติปัฏฐานสี่ไว้าถามว่าในสติปัฏฐานสีในกายานุปัสสนามันก็มีการดูลมหายใจด้วยอนาปรารสติในกายานุปัสสนามีอะไรบ้าง อ, าอิริยาบถบัตบดุริยาบท ธาตุบาปดูกายกายโดยความเป็นธาตปฏิกูลบับดูร่างกายโดยการเป็นของปฏิกูลหน้าเกียโสกรโรคอาณาปาณบับดูลมหายใจเข้าออกในกายนาวสีธิกาบับดูร่างกายเป็นาสางศพเนี่ยคือการพี่นางกายในกายดูที่ว่าเราถนัดในการพี่นางอะไร เมื่อทาในทำครับก็กุศลทำอกุศลทำเอาพยากตัดทำหรือนิวรณ์ทำทั้งปวงนิวรณ์ทำคืออะไรไหมนิวรณ์วิจิตจิตฉางใช่ใช่จิตฟุ้งซ่านไหมจิตสงสัยไหมจิตหดหนูไหมซึมซืึมไหมสิ่งเหล่านี้จิตถูกครอบงาด้วยอารมณ์เหล่านี้ไหมหาประกอบไปด้วยกุศลจิตฟุ้งซ่านไปในกุศลไหม ฟุ้งซ่านเองเป็นไปในกุศลก็มีนะหากฟุ้งซ่านไปในกุศลมันก็จะเป็นนิวรณ์ก็ต้องรักนะก็คือก็ให้รู้ก็ให้รู้ว่าอาการที่ฟุ้งซ่านมาจากการคิดไตรตรองในธรรมมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านแต่โทดในกุศลเราทำไม่มีแต่ในความฟุ้งซ่านที่มีตัวตนของใครเป็นผู้ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นความฟุ้งซ่านเกิดจากจิตที่คิดไตรตรองไปตามธรรมที่มากเกินไป พุทเจ้าบอกว่าเราไม่เห็นโทษในกุศลธรรมทั้งปวงแต่การคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นทําให้จิตฟุ้งซ่านคิดมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านแต่โทษในกุศลธรรมที่คิดไม่ไม่มีโทษก็แค่ฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านทานําไงพุทเจ้าก็บอกว่าน้อมจิตในภายในสง่งกับจิตในภายในตัวเอง น้องจิตเข้ามาในภายในหมายถึงว่าเคยคิดไปตามแล้วครับูุเปิดย้อนกลับมาย้อนกลับมาอยู่ที่คู่ที่คิดคิดอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใช่ไหมจิตคือหาไทยวัตถุใช่ไหมหาไทยวัตถุคือมัดใจพวกมัดใจเราอยู่ข้ามกลางอ ก, กใช่ไหมย้อนกลับมาอยู่ที่นี่ฐานั้งจิตอยู่ที่นี่อยู่ท่ามกลางอ ก, กนี่ย้อนกลับมาดูที่นี่ภายในให้จิตอยู่ภายในเพราะถ้าปล่อยให้คิดฟุ้งออกไป มันก็ไม่สมบูแต่โทษของกุศลไม่มี mm hmm. เพียงแต่ทําให้เกิดความฟุง้งความฟุ้งสั้นจะทําให้เกิด อ, อะไรเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความเหนื่อยล้าทางจิตพอจิตเหนื่อยล้าแล้วมันก็มันก็เป็นอีกอันหนึ่เนี่ยมันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีจะกลับไปพิจารณาต่อครับแต่เข้าใจเพิ่มเยอะลยครับผมอืมเข้าใจ แล้วเราจะทําอานาปานบับบได้ยังไงอน า, าปานาสติในขณะที่พีนากายอยู่ทำได้ยังไงทําไม่ได้ <c oughs> มันกับถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยครับเราดูลมหายใจมัน เ, เข้ามันออกพอเรารู้ว่าปุบ๊บมันจิตมไปคิดถึงคิดถึงเรื่องเรื่องหิวอย่างนี้ครับหิวขึ้นมาซึ่งมันก็จะต้องเป็นเวทนาในเวทนาใช่ไหมครับใช่ เราก็ดึงกลับมาดึงมาอยู่ที่ลมหายใจใครใเป็นผู้หิวอยู่ในนั้นถามเข้าไปเลยในจิตถามเข้าไปในอาการทนะุกเวทนาถ้าถามมันก็ไม่อยู่ในที่ลมหายใจแล้วใช่ไหมครับก็ <c oughs> ไม่ได้เห็นจําเป็นเลยไปอ่านอานาปานสติดูให้ดี <c oughs> ส่วนมากอ่านอานาปานสติดูไม่ค่อยดีกันผู้นิจจาม่ได้ให้ดูลมหายใจไปจนถึงตลอดรอดฝันด้ด้ กุญแจให้ดูไปสักระยะหนึ่งอะไรเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นให้ไปดูเวทนาต่อไม่ใช่เวทนาเกิดขึ้ น, น, น, นยังจะดูลมหายใจอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นเธอเพิ่งส้ำเหนียกรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นพุริชาว า, างนี่นะมันมีสูตรไหนนะที่เอามาพูดกันตอนในใ น, ใ น, ในอานาปานสตินะมันต้องอา่านตามเบียร ไล่าตามแบบตามที่พระองค์ทรงสอนไปเถอะไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บนี่หิวข้าวอย่างเงี้ยต้องดูลมหายใจไเรื่อยเรไม่สนความหิวอย่างเงี้ไม่ใช่นะก็มาพิจารณาไอไอความหิวเนี่ยถึงจะถูกเราปล่อยเลยปล่อยลมเลยปล่อยทิ้งเลยลมไม่ต้องไปสนขอพิจารณาตัวนี้เข้าใจปุ๊บมารับดูลมต่อ มันมันเช่นถ้าเกิดสมมติตอนนี้ผมนั่งอยู่ผมก็ดูลมหายใจพอดูหมหายใจเส็จปุ๊บเอ้ยขามันเหน็บชาก็ไปไปพิจารณาเวทนานี้เวทนาในเวทนาของขอาการเจ็บนี้อยู่พอพอมันพิจารณาจนมันรู้สึกว่าอมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็กลับมาที่ลมหายใจต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ก็ให้มันเป็นฐาลนลมหายใจเป็นฐานฐานในการรับรู้ครับ ว่าในวิดีโอที่นี่มีไม่ ม, ไมีมีแบบถ้ามีแบบจะอธิบายตามแบบให้ฟังในความหมายที่พวกทรงสดแสดงอ า, า, านาปนาสติเพราะถ้าให้จุดอย่างนี้ดูแต่ลมดูแต่ลมดูแต่ลมอย่างเดียวมันไม่ฉลาดอันนั้นเป็นอน า, า, า, าณาปานาาสติแบบโง่อะนะดูแต่ลมอย่างเดียวนะแต่บอกว่าโง่เขาก็ ไอ้คนที่ดูอยู่พวกก็ไม่ไม่ไม่ถูกใจของถ้าไปอ่านอนาปารสติให้ดูดีๆเลยจะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ให้ดูแค่ล้ม <Okay. S 1> ต้องหาแบบมาดูดินี่ยมีแบบรู้สึกว่าจะมีมชีดอยู่มีชีดอยู่ <Okay. S 1> อ่ะอยู่เล่มไหนก็ไปดูต้องดีแบบเลย บางทีพูดไปก็จะหาว่าท่าอาจารย์พูดไปเอาเรีงหรือเปล่ามันมีแบบของมันอยู่แบบของพระเจ้าในถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วแต่เราไม่เข้าใจแบบเราถูกครูบาอาจารย์สอนมาครูบาอาจารย์อยุคหลังสอนมาก็เลยทําให้เข้าใจอานาปนานสติผิดเพี้นอัตมาจะสอนแบบอานา ป, ปนานสติแบบง่ายๆก่อนที่จะทําอนาปนานสติผู้เจ้าให้ทําอะไรก่อน ทำให้ไม่ได้เรียนกันมาบ้างเลยก่อนที่จะทําอานาปานสติก่อนที่จะดูลมเนี่ยพระรยาให้ทําอะไรก่อนตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นใช่ไหมแสดงว่าสติต้องมั่นก่อนแล้วนะถึงจะไปดูลมได้ถูกต้องไหมมั่นอยู่กับอะไรว่าดํารงสติให้มั่นมั่นอยู่กับอะไรมั่นอยู่กับกายถูกต้องมั่นอยู่กับกายกายอยู่ลักษณะไหน อยู่การนั่งใช่ไหมเมื่อการอยู่การนั่งสติต้องอยู่กับการนั่งการนั่งจุดที่รับรู้ถึงการนั่งได้มากที่สุดอยู่ที่ไหนก้นสัมผัสกับพื้นนั่นคือการจุดรับรู้ของการนั่งได้มากที่สุดจุดที่รับรู้ถึงการยืนได้มากที่สุดคือเท้าสัมผัสกับพื้นจุดที่รับรู้การนอนได้มากที่สุดก็คือลำตัวสัมผัสกับที่นอนเข้าใจไหมเพราะนั้น หมายก็ว่าดำรงสติให้มั่นคือให้มั่นอยู่กับท่านั่งแล้วก้อนที่สัมผัสกับพื้นนั่นคือจุดของท่านั่งที่ชัดเจนที่สุดให้มั่นคงอยู่ที่นั่นก่อนที่จะดูลงหนะมั่นหรือยังหากเราทำความรู้สึกอยู่ที่ก้อนสัมผัสกับพื้นได้ติดต่อเนื่องกันแล้วปั๊กเนี่ยวางมือลงมือประสานกันหรือมือสัมผัสกัน มืออาการสัมผัสของมือนั่นแหละคือจุดสัมผัสต่อมาที่เราจะต้องรับรู้ในอิริยาบถอิริยาบถธรรมบัติอิริยาบถของการนั่งก็คือก้อนสัมผัสกับพื้นแล้วเราลึกถึงเข้ามาถึงให้มั่นอยู่ที่มือขวาทํามือซ้ายหรือมือวางลักษณะอย่างไรก็ตามให้รับรู้รับทราบมั่นคงคําว่ามั่นคงคือให้มีความรู้สึกติดต่อเนื่องกันให้ได้ก่อน สักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งกายเราจะตั้งตรงแม้เราจะปรับกายให้ตรงยังไงก็ตามแต่ถ้าหากเราทำสติให้มั่นคงอยู่กับท่านั่งมากๆติดต่อเนื่องกันได้เนี่ยกายจะปรับตรงใหม่บางทีบางคนจะมีความรู้สึกกายเอ็นเอียงจริงๆไม่ได้เอ็เอียงมันเป็นการปรับใหม่ความรู้สึกในกายมันจะปรับใหม่ให้ตรงมันจะตรงบิ่งเล ย, เลยนี่ถ้ามันตรงแล้วมันจะตรงบิ่งเลยจะไม่มีการเอ็ไปไหนอีก ตั้งใจให้ตรงดำรงสติให้มันคือแบบนี้มั่นอย่างนี้ก่อแล้วให้การรู้สึกมั่นคงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามั่นสักพักแล้วก็ไปดูลมเลยไม่ใช่มั่นคือต้องมั่นให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วต้องไม่เกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายห้ามเกรงจิตต้องระ ล, ลึกไปตั้งแต่ศีรษะลำคอแขนลำตัวทุกส่วนจะต้องไม่เกรงปล่อยวางคลายเฉยๆนิ่งๆ อู่รับรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นมือขวาทับประสานกันอยู่หรือขาขัดกันอยู่ขัดสมาธิกันอยู่รับรู้อยู่กับการนั่งอย่างนี้จนเกิดร่างกายปักตั้งมัน่นแล้วเมื่อสติระลึกรู้อยู่กับการนั่งอย่างนี้เรื่อยๆสติจะไปรับรู้ลงเองรับรู้เองอัตโนมัติแล้วไม่ต้องบอกว่ายาวหรือสั้นมันจะรู้ความยาวความสั้นเองอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมมันใช่ไหมครับเอาพุทธเจ้าให้ควบคุมเหร อ, อพุทธเจ้าให้ควบคุมหรือเปล่าแล้วให้รู้ลงให้รู้ตรงไหนเลยปาริบุกขังบาลีบอกว่าปาริบุกขังปาริแปลว่ารอบบุกขังแปลว่าปากรอบรอบปากแล้วนี้เหรอรอบรอบปากยังไง มุขขังแปลว่าปากก็ได้แปลว่าช่องทางก็ได้เอาช่องทางเข้าออกของลมอยู่ที่ไหนช่องจมูกอ่ะหรืออะไรตัวเนี้ยเหนือลิมที่ปากก็ได้บริมมุขขังรอบรอบเนี้ยแล้วครูแต่เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นคือหาก ท, ที่ที่ผ้าอาจารย์สอนเนี่ยสอนสอนอาณาปานสติเนี่ยสอ น, สอนให้เริ่มต้นที่ถูกต้องก่อนคือตั้งใจให้ตรงดำรงสติให้มั่นก่อน ถ้าสติมันมั่นแล้วปั๊บมันจะไปรับรูลมเองอัตโนมัติเองมันจะง่ายขึ้นง่ายกว่าการที่จะไปจอดูลมเลยเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจให้ตงดำรงสติให้มัน่นในท่านั่งแล้วยังไงเราจิตเราก็ฟุ้งจิตเราก็ไปอานาปานะสติสูตร ควานัสติสูงอยู่ในเรือนว่างต้องไปอยู่ในเรือนว่างเลยนะเอา้าถ้าจะเอาตามแบบนี้นะไม่ใช่ไปนั่งอยู่กลางหมู่บ้านอะไรเงี้ยเรือนว่างว่างคือไม่มีใครอยู่ในนั้นมานั่งรวมกันจัดให้นั่งรวมกันอย่างนี้ชื่อว่าว่างไหมไ ม, ไม่ว่าง ไปอยู่ในที่ของใครของมันที่ว่างๆนั่นผลไม้ก็ได้ปาก็ได้เจ๊งไหมนั่งคูบาลังคู่บาลังทำยังไงคูก็คือม้วนขาเข้ามาคูเข้ามาหรือจะคูเข้ามาขนาดนี้อีกก็ได้แล้วแต่จะคูแต่ส่วนมากเขาจะคูกันอย่างนี้ คูกันแค่นี้เพราะถ้าคูอย่างเงี้ยมันจะนั่งได้นานถ้าคูเข้ามาขาานาดเนี้ยมันจะนั่งได้ไม่นานเหน็บอันนี้จะนั่งได้นานหรือรถไฟจะเป็นยังไงคูบัาลังตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าดําลงสติมั่นเฉพาะหน้าคือดําลงสติให้มั่นอยู่ในท่านั่งเมื่อมีสติมั่นแล้วเธอย่อมมีสติหายใจออก เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเอาสติไปจ่อไว้กับลมหายใจเมื่อสติมั่นอยู่กับท่านั่งแล้วการหายใจของเราทั้งเข้าและออกจะเป็นการหายใจด้วยสติเข้าใจไหมแต่ถ้าสติไม่มั่นในกายไม่ตั้งมั่นไว้ในกายเอาสติมาจ่อที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าเป็นสติอันนั้นไม่ใช่สติคือมีมีสติอยู่ในกายชัดรู้ท่านั่งหล รับสราบท่านั่งนิ่งอยู่อย่างนี้นั่นคือการหายใจด้วยความมีสติหายใจด้วยสติพันนี้เอามาจากท่านเลย น, นันเลยกรสนระสูตระ ส, สเข้ายาวก็จะรู้คือสติมันจะรู้เองไม่ใช่ให้เราไปรู้สติมันจะรู้เองหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวการรู้ชัดจะรู้ชัดเองแม่รู้ไม่ชัดก็อย่าไปบังคับให้รู้ชัด มันจะค่อยๆชัดขึ้นมาอตัตโนมัติหายใจออกสั้นก็นรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสังเีกตอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นรู้สั้นรู้ยาวรู้เข้ารู้กออกแล้วรู้ ก, กองลมเลยว่ามันเข้ามันออกมันสั้นมันยาวมันช่างมันแต่ให้รู้ว่ามีลมาอยู่เนีย่ยจต่เป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงสังเีกตอยู่ว่าเราจะระงับากายสังขารหายใจออกเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้า คือกายมันจะเบามันจะเริ่มเบาหาคําตามที่ท่านจะแนะนําไปจะรู้ว่ากายจะเริ่มเบาคือมันจะเริ่มสมมงบระงับขึ้นสําเร็จอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดปีติเห็นไหมให้รู้ปีติด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้แต่ลมหายใจปีติเกิดขึ้นก็รู้ปีติสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีสุขเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจลมลมมันเข้ามันออกอยู่แล้วหายใจมันเข้ามันออกมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ ตั้งแต่มันเกิดด้วยแหละยังไงมันต้องเข้าก็ออกลมหายใจไม่เกินนี่ถ้าเข้าไม่ออกก็ก็คือยุติแค่นั้นเองน่ะก็แค่นั้ น, นก็หมดปีติกับสุขเป็นยังไงล่ะครับปีติอิ่ใจสุขก็คือความความสุขในใจเป็นความสุขขึ้นมาเดี๋ยวเดียวจะสอนวิธีการนั่งที่ถูกก็เนี่ยคือสอนการนั่งที่ถูกนี่แหละ แต่ให้พี่ทำตามน่ะจะเกิดอาการอย่างที่ว่านี่ยชัดเลยทีนี้คนทั่วไปมัวกังวลแต่มันรู้อยู่ว่าลมเข้าหรือลมออกลมเข้าหรือลมออกอยู่ยางนี้จะไม่เจอปีติจะไม่เจอสุขหรือเจอก็เจอปีติสุขแบบไม่ไม่ใช่ตามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้มีจิตระงับกายสังขารมีจิตเราจาัดระงับกายสังขารหายใจออกเราจัดเป็นผู้กําหนดรู้จิตหายใจเข้า เป็นจิตเป็นยังไงในขณะนั้นจิตคิดหรือจิตไม่คิดก็ต้องรับรู้ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้เลยนะหายใจอยู่ก็รู้ว่าอ๋อนี่คือความคิดของจิตนี่คือจิตคิดหากจิตไม่คิดเรื่องนั้นก็เห็รู้ว่านี่คือจิตคิดขณะที่คิดอยู่ก็หายใจอยู่ใช่ไหมหรือมีใครบ้างที่คิดแล้วไม่ได้หายใจไ ม, ม่มีก็หายใจก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็หายใจอยู่ ก็คือเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินั่นเองแต่พระเท่าพระอง์ละเอียดไงพระองละเอียดเขเรื่องว่ามันเป็นการหายใจเรื่องบมันมีการรับรู้ด้วยสติมันเป็นการหายใจด้วยสติทั้งเข้าทั้งออกรู้จิตรู้จักทําจิตให้ลาเลงคือคิดแต่ในสิ่งที่เป็นกุศลให้มันเบิกบานในธรรมคิดในสิ่งที่ดีพิจารณาอยู่ในกายเนี่ยคือจะทําจิตให้ละละเลงรู้จักทําจิตให้ตั้งมัน่นรู้จักเปื้องจิต คือจิตจะสง บ, บก็ตามไม่สง บ, บก็ตามเปลื่องกันออกไปเปลืองจิออกและรู้จักเป็นผู้พิีรณาความไม่เที่ยงเห็นไหมไม่ใช่ไปต้องไปดูลมอยู่ตลอดพี่สามารถพี่นาความไม่เที่ยงก็ได้พิจารณาความภัยกำนัดพิีรณาความดับกิเลสพิี่ณาการสละกคืนพิสูจทั้งหลายอานาปนาสติ ที่ที่สุดจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอิสริสวมากอันนี้พูดพูดแบบย่อยๆรวบลดัด น, นะจะให้พูดอ่านข้อสูตรเต็มๆเลยมันเยอะนี่คือการ ต, ตีความหมายออกมาให้มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นกายานุปัสสนาในในอานาปานสบักอันนี้สติอันนี้อานาปานาสติสูตรใจอันนี้กายานุปัสสนาเป็นอานาปานสบักอาจจะเป็นสูตรเล็ก ไปสู่เดือนว่างเปล่านั่งผู้บาลังก็ตรงตรงกันหมดนั่นแหละตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกหมายถึงว่าเรามีเรามีการตั้งมั่นตั้งสติให้มั่นอยู่ในกายแล้วการหายใจทั้งหมดทั้งเข้าทั้งออกเป็นการหายใจด้วยความมีสติแต่เขาแปลว่ามีสติหายใจเข้าคือการแปลอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่ามีการแปล แปลที่เขาแปลเช่นค <t> ําว่ากายานุปัสนาตามเห็นกายใช่ไหมล่ะเขาบอกกายาบวกอนุปัสนาอนุปัสนาแปลว่าตามเห็นอนุเอวะน้อยภายหลังตามปัสนาคือการเห็นตามเห็นกายแต่ทีนี้ถ้าอาจารย์แปลแปกต่างจากเขาท่าอาจารย์แปลว่าเห็นกายตามที่มันเป็นไม่ต้องไปตามเห็นกายกายจะเป็นยังไงก็ตามให้เห็นตามที่มันเป็น กายมันนั่งก็เห็นว่ามันนัง่งกายมันยืนก็เห็นว่ามันยืนมันนอนก็เห็นว่ามันนอนไม่ต้องไปตามเห็นอย่างนั้นแต่เห็นตามที่มันเป็นแปลต่างจากเขาเพื่อทําให้มันง่ายขึ้นทําให้ความเข้าใจง่ายขึ้นมีสติหายใจเข้าหายออกเหมือนกันเลยหายใจเข้าออกสั้นก็สําเนียกว่าหายใจสัมเนียกอยู่หรือรับรู้อยู่นั่นแหละเรียกว่าสําเนียจกจัดเป็นผู้กําหนดกองลมทั้งพวงจะเข้าจะออกก็ตามก็แค่แคลม นะจะเข้าจะออกจะสั้นจะยาวก็แค่กองลมเป็นเรื่องของลมจัดเป็นผู้กําหนดรูปตลอดกองลมทั้งปวงจัดระงับกายสังขารกายมันจะเบาคือประคับประคองการแล้วรู้สึกในกายต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยกายมันจะเบาเบาแล้วก็จะเกิดปีติคือความทราบซ้ำขึ้นมาแล้วก็เกิดความสุขยินใจขึ้นมาแบบเดียวกันนี่แหละ อันนี้มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับนายช่างกลึงหรือรูปมือของนายช่างกลึงผู้ฉลาดชัดเชื่อกลึงยาวชั่นสั้นก็รู้ยอมพินาเห็นกายในกายทั้งภายในบ้างภายนอกบ้างยอมพินาเห็นธรรมในธรรมอ๋ออันนี้านาานาปันนับบัตในข้อสติปัฏฐานสืบสีนี้โยงอานาปานสติเข้าสู่ทพิจารณาพินากายเวทนาจิตธรรม ตัวเนี้ยอันนี้เป็นการพื่อาใช้ค ป, ประยุกต์ประยุกต์รวมกันประยุกต์ลมหายใจเข้าสติปัฏฐาน4ตัวเนี้ยส่วนสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรหลักใหญ่นั่นคืออีกแบบนึงอันนี้คือการสูตรประยุกต์อันนี้อาณาปานาสติสมาธิมันมีหลายหลายฉบับ ไปสู่โคนไม้เรือนว่างนั่งคูบาลังคูขาเข้ามาโดยลอกตั้งกายตรงมีความมุ่งมั่นแน่วแน่อุชุอุชุงกายยังปณิทายะตรงอุชุงแปลว่าตรงกายยังคือกายให้ตรงบางทีการบังคับกายให้ตรงอาจจะบังคับได้ในระยะแรกๆแต่การทำให้มีสติตัต้งมั่นอยู่ในกายมันจะกลับปรับกายให้ตรงเองอัตโนมัติ การบังคับการให้ตรงในระยะแรกๆอาจอาจจะทําให้เมื่อยได้เพราะนั้นยังเป็นการเก่งอยู่แต่การดํารงสติให้มั่นในกายปณิทายักหรือตั้งปณิธานความตั้งมั่นแน่วแน่ไว้ในกายตั้งมั่นในเนนี้การตั้งมั่นไว้ในกายคือให้มีการรับรู้ความรู้สึกกับการนั่งคือก้นสัมผัสกับพื้นมือสัมผัสกันติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเืๆมันจะปากที่ท่านั่งของเราเองอัตโนมัติมันจะเป็นธรรมชาติของมันอยู่ คือความรู้สึกในการรับรู้นั้นจะต้องไม่เพ่งไม่จดจ่อไม่บังคับไม่ควบคุมจะต้องเป็นการรู้โดยธรรมชาติที่รู้คำว่ารู้โดยธรรมชาติที่รู้นั้นคือรู้แบบไม่ไม่จงใจที่จะรู้เข้าใจไหมรู้ไหมว่าหัวแม่เท้าเราอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องหันไปมองรู้ได้ไหมรู้ได้ต้องจงใจรู้ไหม ก็แค่ระลึกรู้เฉยๆนั่นคือรู้แบบธรรมชาติรู้ไม่ว่างูเราอยู่ข้างหัวสีสายนี่ไม่ต้องหันไปมองรู้ได้ยังไงก็ระลึกรู้ขึ้นมาเลยเหมือนกันการละลึกรู้แบบนี้เขอกใช้ความรู้โดยธรรมชาติแต่ถ้าไปจงใจรู้บังคับรู้รู้เพ่งรู้อันเนี้ยมันเป็นเป็ความรู้ที่ไม่ธรรแบบไม่ใช่ธรรมชาติเพราะนั้นเราใช้ความรู้ตัวเนี้ยให้เป็นนิสัยใช้การรับรู้อย่างเงี้ยให้เป็นนิสัย อย่าใช้การเพ่งรู้อย่าใช้การจดจ่อรู้อย่าใช้การบังคับรู้แต่ให้ใช้ความรู้ธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นนิสัยเรารูไ้ไหมว่าแผ่นหลังเราอยู่ตรงไหนกระดูกสันหลังเราอยู่ตรงไหนรู้ไหมรู้ครับกระดูกต้นคออยู่ไหนรู้ไหมรู้ร <K> ก็ไปเห็นต้องมองทําไมมารู้อะ่ะ<ม>นี่คือการรับรู้แบบธรรมชาติเข้าใจไหมเน่ยใช้การรู้นี่แหละให้ระลึกรู้อยู่กับการนั่ง อนี้ไปเรื่อยๆปริมุขขังสติอุปัติแทถาเปตาวาดดำรงสติและลึกรู้ไว้เฉพาะหน้าตั้งมั่นไว้ในกายแล้วดํำรงสติไว้เฉพาะหน้าปริมุขขังแปลว่าเฉพาะหน้าแต่ถ้าจะเอาจริงๆก็คือรอบๆปากรอบๆปากปริรอบมุขขังหรือว่าช่องทางเข้าออก ของลมมีจมูกโซสโตัววัดอัด ส, สติย่อมสติระลึกรู้เมื่อหายใจเข้าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปตามสติให้รู้เข้ารู้ออกอย่างไม่ต้องนะไม่ต้องอย่างที่พระอาจารย์บอกทางเรามีความระลึกรู้อยู่ในกายแล้วความระลึกรู้อยู่ในกายเมื่อเราระลึกรู้อยู่ต่อเนื่องแล้ว รู้ไปมากๆเข้ามากๆเข้าการรับรู้กับท่าน้เนี่มันจะเบาบางไปมันจะไปรู้ที่สิ่งที่ละเอียดขึ้นสิ่งที่ละเอียดคืออะไรก็คือลมมันจะเข้าไปรู้ลมที่ละเอียดขึ้นเข้าออกในภายในนี้เองอัตโนมัติหมายถึงว่าย่อมระลึกรู้เมื่อหายใจเข้าขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกายตรง หมายถึงว่าให้เราตั้งสติและลึกรู้อยู่ในกายจนร่างกาย ต, ตั้งตรงเองอัตโนมัติได้ด้วยความรู้สึกของกายเองโดยที่ไม่เกร็งและไม่มีความปวดเมื่อยอยู่ภายในร่างกายมันจะเกิด อ, อาการเบาขึ้นมานั่นคือตรงปับ๊บมันจะเคลื่อนมารู้เพราะนั้นขั้นตอนของการสติและลึกรู้เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อกายกายเราตั้งมั่นแล้วเท่านั้น ทีนี้กายเรายังไม่ทันตั้งมั่นเลยพี่สอนกันทุกวันนี้เอาล้นขาเข้านั่งแล้วดูลมเลยนะใจ้ไหมเขาสอนกันแนละ้วกายมันยังไม่ตั้งมั่นเลยนะอาการที่เราบังคับให้ตั้งมั่นนั่นน่ะอันนั้นคือเราบังคับเป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นแต่การที่เราให้มีสติระ ล, ลึกลู้อยู่ในกายปณิพายะเนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ในนี้อันนั้นเป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติที่มันมันมันเป็นธรรมชาติเองไม่ใช่การปรุงแต่งมันจะปรับความรู้สึกของเราใหม่แล้วตั้งมั่นเอง แล้วจะเคลื่อนไปรู้รลมเองการรู้ลมลักษณะที่จิตความรู้ของเราระลึกรู้ลมเองโดยธรรมชาติที่รู้เหมือนกับรู้ว่างวาแม่เท้าอยู่ที่ไหนหนะ่ะมันจะรู้แบบนั้นนั่นคือการรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติหมายถึงว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกในเวลานั้นเป็นการหายใจด้วยความมีสติไงคือหลักการที่ถูกต้องแต่ถูกแบบพระอาจารย์นะไม่ใช่ว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดที่ถูกเสมอไป แต่เป็นวิธีการที่พระอาจารย์ใช้แล้วได้ผลกับพระ อ, อาจารย์มาตลอดและใช้กับสอนผู้อื่นก็ได้ผลมาตลอดนี่นะคือหลักการทําอานาปานสติแต่พระอาจารย์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทอาอานาปานสตินี้ไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้คือเริ่มต้นปฏิบัติตั้งแต่แรกแรกไม่ไ้เริ่มต้นอนาณาปานสติเริ่มต้นด้วยการพี่นาร่างกายเป็นท่าแล้วทําไมมารู้จักวิธีการทอาอาณาปานสติมันรู้หลังจากที่ปฏิบัติพี่นาล่างกายมาเพียงพอแล้ว มันมารู้นในภายในแล้วมันผลออกมาเพื่อที่จะสอนดโคตโยนเท่าไหรให้ได้ปฏิบัติตามมันรู้ขึ้นมาด้วยความรู้จากจากความรู้ในภายในคือเราพิจารณาพิจ า, ารณาพะสูนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วก็เทียบเทียงกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในจิตหมายถึงว่าในขณะนั้นนะ่ะก่อนที่จิตมันจะลงสู่สมาธินะ ตอนนั้นพิี่นากายจนชัดเจนแล้วตั้งแต่ผมขนเรีบฟั น, นังเลือเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าห้วใจตับท้องผือไตปอดเส้นเลือดเส้นเลือยอาหารในอาหารเก่าจนย่อยฉล า, ายกลายเป็นผ้าสีดินน้ำไฟลมพี่นากลับไปกลับมาได้ประมาณสักสี่้านาทีนั้นมันจะเห็นลมเข้าออกชัดเข้าชัดออกชัดเข้าชัดออกชั ด, อ, อ, ชดอัตโนมัติทั้งทังทงทง้ที่ไม่ได้จดจ่อดูดลมทั้งทั้ง ท, งทงี่ไม่เคยเพ่งลมและไม่เคยทําอนาปัญสติมาก่อนไม่เคยสนใจมันเลย จนเหมือนกับดึงใจเราเข้ามาอยู่กับลมเขเอ้าอาณาบาลนสติมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคมชัดมากชัดทุกๆุกขณะไม่มีขณะไหนไหนเลยที่ไม่รู้ในขณะที่เข้าออกไม่มีขณะเลยไหนเลยที่ไม่รู้มันรู้เองอัตโนมัติทั้งๆ้งที่ไม่สนใจที่จะรู้ทั้งทั้งที่ไม่จดจ่อที่จะรู้จนกลายเป็นความสนใจภายในการทําภาวนาขึ้นมาในเวลานั้นจิตเลยเพ่งมาที่ดูที่ลมพอจิตเพ่งมาดูมาที่ลมปั๊บมันก็เลยเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่า เราทํากรรมฐานด้วยการพี่นากายหากไปดูลมพุ๊บก็เท่ากับว่าทิ้งกรรมฐานเดิมคือทิ้งทิ้งฐานเดิมหาทิ้งฐานเดิมการทํากรรมฐานก็จะไม่ต่อเนื่องสุดท้ายก็เลยทิ้งลมมาดูกรรมฐานคือการพี่นาต่อแต่การรับรู้ลมก็ไม่ไม่สูญหายไปไหนมันรับรู้เองเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติธรรมดีพอสักพักนึงปุ๊บจิก็ดิ่งลงทีนี้เข้าสู่สมาธิตามธรรมชาติธรรมะ ก็เงียบทั้งลมก็ไม่มีทั้งทกายคิดนากายก็มีทั้งความคิดใดไก็ไม่มีฐานการรับรู้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ทางเดินความิตพอมันถึงที่สุดแล้วมันทิ้งหมดไม่ใช่ว่าต้องจอดูลงไปตลอดรอดปังไปจนเขาบอกชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งจนดูลมจนถึงชั่วโมงสุดท้ายอันนั้นก็เกินป้ายไม่ได้รับรู้อะไรอย่าง อ, างอางื่นอีกปัญญาไม่ถึงเข้าใจไหมเนี่ยมันต้องไปโคนไหมได้วยนะต้องไปเรือนบ้างไม่งั้นต้องไปปากถ้าจเจอให้ถูกเลย มานั่งรถกันนะพี่เนี่ยแล้วผลอยอื่นก็จะตามมาทีนีน่ดีครังว่าปัตสั่นโตดีครังปัตสิทปัตสั่ามีติปชานาติกิตตะปฏิสั่งเวดีอัต ส, สิทธิ์สัมีติสิขติมันจะเกิดขึ้นมาเองคือมันจะเป็นการเรียนรู้เองจะเป็นการเรียนรู้รู้ชัดรู้เนื่งเนืองซึ่งจิตในการหายใจเข้าใจออกจิตจะเรียนรู้การหายใจเข้าใจออกแบบมีสติอยู่ภายใน จะทราบอ๋อเป็นอย่างนี้นเองมันได้เข้าใจอ่ะมันจะเป็นความเข้าใจอยู่ในภายในอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละคนนี้เป็นผลเป็นผลตามมาไม่ต้องไปสนใจแต่ผู้เจ้าอธิบายผลไว้พราะมันต้องเป็นไปตามนี้ mm. แต่ถา้าไม่สนใจก็ไม่ได้คือมาสนใจคือมาเทียบเพียงในภายหลังว่า mm. อ๋อมาตรงกับตรงนี้ไหมตรงกับตรงนี้ไหม อันนี้มันมีการที่นราเห็นความเกิดความดับด้วยศึกษานเดืองซึ่งความดับลงหายแย่เข้าศึกษานเนือนซึ่งความรับลงหายแจออกแค่นี้เด้แล้วก็ม่มีอะไรมากคุณเจ้าก็ถึงที่แสดงว่าอา่คนที่ปฏิบัติอ า, า, าณาปณะสนิไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมก็ตัวเองตอนนี้เนี่ยมีปิติมีสุขขึ้นมาแล้วใช่ต้องรู้ แล้วก็คันี้พอไปถึงจุดต่อไปก็คือต้องละสุขและละปิติออกมันต้องละัน ม, น ม, ม, นมีมันมีคำว่าไนอ่ะวิโมอดอ่าไม่ใช่อันนี้ทำให้ตั้งมั่นทำให้มีปีติให้จิตปราโมทย์ให้ตั้งมั่น ปฏินิสสคาลุปัสสีสลัดคืนทิ้งทิ้งไม่กระทั่งความปีติทิ้งไม่กระทั่งความสุขสลัดคืนสลัดออกไปให้หมดไม่มีความปิตใจอยู่ในสินนั้นปีติก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงก็จะไปอยู่กับอุเบกขาเองหะครับล่าใช่จะอยู่กับอุเบกขาอุเบขาเป็นทางเดินของจิตแสดงว่าบุคคลผู้ทำเช่นนี้กำหนดได้หมดเลยไหมแสดงว่าจะเข้าปฐมชานปีติฌานมันต้องทําให้ได้ตามแบบก่อนแล้วไอชานจะตามมาภายหลัง มันจะเรียนรู้ในการทําชานเองในภายหลังแต่ตามแบบนี้ต้องทําให้ได้หร อ, อครั้งต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นแบบนี้ครต่อไปก็เป็นแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเืยแต่จําไว้ว่าอย่าให้ผิดจากธรรมชาติที่เป็นหากทาให้ผิดจากธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของมันมันจะไม่เป็นเช่นไปฝืนหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผิดเอา้าไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็น ธรรมชาติที่เป็นคือหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นปกติเคยหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติที่เป็นให้เป็นธรรมชาติที่สุดนั่นคือความจริงแต่ถ้าไปสร้างความรู้สึกขึ้นมานั้นไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหเป็นการปรุงแต่งมีคำถามจากแหละอะไรภาษาอังกฤษไ <c oughs> ม่เก่งภาษาอังกฤษซิด้วย ช <c oughs> ุนเ่ะชุนชุน <c oughs> ความขี้เกียจเป็นนิสัยไหมครับก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งความขี้เกียจโอแค่นี้ก็ถามความขี้เกียจเป็นนิสัยเป็นนิสัยอาตมาเป็นนิสัยขี้เกียจมีนิสัยขี้เกียจถามว่าต้องแก้ไหมมันแก้ไม่หายแต่จะไม่ปล่อยให้เป็นไปนตามนิสัย เพราะความขี้เกียจเป็นนิสัยที่ปวดรักใช่ไหมนี่มีมีนิสัยขี้เกียจอยู่นะเนี่ยอาตมามีนิสัยเป็นคนขี้เกียจเป็นขี้เกียจมากๆเลยนะไม่ขี้เกียจธรรมดาขี้เกียจมากๆเลยนะแต่พราะรู้ว่านิสัยตัวเองเป็นคนขี้เกียจก็เลยไม่ปล่อยให้นิสัยนี้ครอบงาแต่นิสัยขี้เกียจจะมีไหมมีแต่เพราะอาตมาไม่ปล่อยให้มันครอบงามันก็เลยไม่สามารถยืนเจิตอาตมาได้ แต่เรามาวมีทุกคนน่ะนิสัยขี้เกียจนะมีทุกคนนะนะใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้นนะใช่เออเชื่อว่ามันคือความขี้เกี ย, ยจจุ่มแค่นี้เข้าใจแล้วน ะ, ะการฝึกการปฏิบัติเอาละพอสมควรแก่เวลาในวันนี A ้ B ดีมาก